พระอาจารย์ครับกาบเราสักการครับผมจันทร์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับะอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการวิชาชนาธรรมครั้งที่สองร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์ครับเกือบสี่ปีแล้วนะเกือบสี่ปีแล้วครับเกืบจะครบสี่ปีพราะสภาเมื่อไงใช่ครับพระอาจารย์ครับจัดได้ยาวนานดีเหมือนกันนะครับไม่น่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะจะอยู่คู่กันนานในขนาดนี้ ครับผมใบปาอาจารย์เมตตาดีมากเลยครับอาจารย์ครับชีวิตผมดําเนินไปอย่างรู้สึกได้เลยครับว่าดีงามครับอาจารย์ครับถ้ามีประโยชน์ก็ยินดีทำชอไปครับอาจารย์บอกทําจนเบื่อกันไปข้างหนึ่งผมจําได้ครับผมยไม่เบื่อเลยรับอาจารย์ครับวันนี้เป็นเป็นใส่คนใส่บาตรเยวะไหมครับผม สี่ร้อยเจ็ดสิร้อเจ็ดสิางานอีกสองร้อยก็วันหกร้ยเจ็ิวันนี้ก็เลยจัดหัวข้อที่ผมเชื่อว่าคนสนใจนะคะพระอาจารย์ครั้งที่สองร้อยก็เลยจัดเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างถูกวิธีครับพระอาจารย์ครับจะกราบขอปัญญาพระอาจารย์วันนี้ผมไปเชงเมงมาด้วยครับก็รู้สึก อ, อได้เห็นสุสานได้เห็นคนคนตายแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกว่าเออชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนครับผมกราบขอควาเมตตา บ้านของเราในอนาคตก็เนี่ยสุสานหรือวัดแค่ร่างกายของเรา ม, มันทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันครนะสาเหตุที่กลตายก็เพราะความอยากอยากไม่ตายอยากอยู่เพราะอยากอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพได้ก็เลยไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไร ก็เลเกิดความกลัวขึ้นมาเวลาคิดถึงความตายเนื้อเจอความตายวิธีแก้ก็คือต้องใช้วิธีที่พระเจ้าทรงสอนก็คือต้องใช้วิธีภาวนาจิตตภ า, าวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือสมถภ า, าวนาทำจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วก็หลังจากมีสมาธิมีความสงบมีกาลังที่จะหยุด ความอยากได้แล้วก็ไปพิจารณาไปขั้นที่สองนวิปัสสนาไปเจริญปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นภายใต้กฎของธรรมชาติที่เมื่อมีการเกิดแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา สาแน ใ, ใจเห็นความจริงอะไรเราเห็นสาเหตุของความทุกข์ของใจก็คือว่าไม่ยอมรับความจริงของกฎธรรมชาติไม่ยอมรับความจริงของกฎของไตรักที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะยังอยากจะให้มันอยู่ต่อไปเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ร่านกายมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้หลมไฟ <c oughs> เป็นของธรรมชาติต้องพิจารณาจนเห็นชัดเจนว่า ทำยังไงก็ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้อั่นที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากไม่ให้มันตา ย, ยานั่นเองพอเห็นชัดเจนแล้วก็มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ก็เกิดมีสมาธิก็จะหยุดความอยากได้หยุดความความอยากไม่ตายได้ความหยุดความอยากอยู่ได้เพราะไม่สามารถทําตามที่เราต้องการได้ร่งกายมันไม่ฟังเรามไม่มไม่ฟังความอยากของเราว่าอยากจะอยู่ต่อไปเธอขอให้เธออยู่นะ เมือนญายอโยมชอบป่วยพอแล้วก็ให้รักษาท่านขันได้ดีนะอยู่ไปนานๆถ้ามันเชื่อเราก็ดีมันฟังเราก็ดีมันมันไม่เชื่อใครทักคนไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนแม้แต่พระพุทธเจ้ามันยังไม่เชื่อเลยร่างกายพะพุทธเจ้าก็แปดสิบปีก็ต้องร่างกายเขาบอกขอขอลาแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องหมันพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆ กิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาน่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายเป็นไม่ได้อันนี้เป็นการเจริญปัญญาขั้นจินตา ม, มิยะปัญญาขั้นแรกก็คือสุตตามิยะปัญญาเราได้เรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายเป็นไม่ได้ที่ทุกข์ก็เพราะว่าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าไม่อยากจะทุกก็ไปหยุดความอยากนี่ให้ได้ก็ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายถ้ายังไม่ยอมแสดงว่าจิตไม่มีกําลังหยุดความอยากก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนทําสมาธิก่อนตอนนี้เรามีปัญญากันทุกคนเพราะเรามีการศึกษาขั้นสูงกันทุกคนเราจบปริญญาให้เรื่องอริยสัจสี่สี่ข้อนี้มันจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจ แต่มันทำใจไม่ได้มันหยุดความอยากไม่ได้รู้ว่าทุกทุกทุกของใจรู้ว่าเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่หยุดไม่ได้มันไม่ยอมหยุดมันไม่ยอมมันไม่ยอมแพ้ไม่ยอมมันไม่ยอมรับความจริงเราต้องฝึกจิตตภาวนาทำจิตให้สงบให้เป็นสมถะถ้าจิตรวเป็นสมาธิแล้วมันหยุดหมดเลยหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆ พอมีสมาธิแล้วแสดงว่าจิตมีกําลังหยุดความอยากได้นะพอพิจารณายปัญญาเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากนั้นก็หยุดอยากเลยด <c oughs> ังั้นต้องพยายามไปเจริญสติสมาธิแล้วก็สลับกับการเจริญปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วเบื้องต้นยังไม่ต้องเจริญปัญญาเพราะเราพอจะรู้กันอยู่แล้วได้ยินได้ฟังกันมาได้ศึกษามาพอสมควร แต่สิ่งที่เราขาดมากๆากก็คือสมาธิเนี่ยเหมือนกับเรื่องที่หลวงตา่านเคยเล่าให้ฟังตอนที่ท่านไปกราบหลวงปู่มั่นไปขออยู่กักานปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านรับท่านก็บอกว่าท่านเป็นมหาท่านมีความรู้มากแต่ระดับความรู้ของท่านตอนนี้ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าไม่สามารถเอามาดับกิเลสได้ถ้าตอนนี้ขอให้คุณ เอาความรู้นี้ขึ้นแท่นไว้แขวนขวนไว้ก่อนอย่าไปเอามายุ่งเกี่ยวอาการทําจิตให้สงบตอนนี้คนจิตของคุณไม่สงบเสมเจาิาสมถธิภาวนาวจาราสตินั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนถ้าพอได้แล้วทีนี้ปัญญาที่คุณได้ศึกษามานี้สามารถออามาใช้กาจัดกิเลสทันหาได้หมดเอันนี้คือเรื่องที่หลวงตาเล่าให้ฟังตอนที่ท่านไป ขออนุญาตอยู่กับหลวงปู่มั่นที่สกลนคร อ, อันนั้นพวกเราทุกคนขาดสมาธิกันปัญญาเรามีกันทุกคนแนละ้วแต่เป็นปัญญาที่ไม่มีสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาก็คือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองเพราะเรามีปัญญาแบบไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน จิตยังเครียดยังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สงบไม่มีกำลังที่จะไปะหยุดความอยากได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องควรจะเน้นควรจะให้ความสำคัญที่สุดแต่ตอนนี้ก็คือการเจริญสติเพราะถ้าไม่มีสติเราจะหยุดความคิดทำให้ใจเข้าสู่สมาธิไม่ได้โอยเจริญสติต้องทำอย่างต่อเ น, นื่องมันจึงจะได้ผล ทำแค่วันละสามสิบนาทีชั่วโมงนึงนี้มันไม่พอมันทําอย่างน้อยต้องหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยีบสี่ชั่วโมงในวันพระที่พระเจ้าส่งบัญญัติไว้นี้ก็เพื่อให้เรามาเจริญสตินั่งสมาธิกันอมันเหมือนสนามบินอะถ้าสนามบินนันเป็นสั้นเนี่ยเครื่องขึ้นไม่ได้หรอกใชครับเพราะามันไม่มีกําลังส่งที่จะส่งให้มันขึ้นทะยานขึ้นสู่อากาศได้ต้องมีมันมีไม่ยาว ให้มันวิง่งให้มีความเร็วพอที่จะขึ้นได้ฉะนั้นการเจริญสติก็เหมือนกันเจริญแค่สามสินาทีนี้ไม่พอที่จะส่งจิตเข้าสู่สมาธิได้ต้องเจริญทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับก็คือประมาณยี่สิบชั่วโมงแต่ถ้าสามารถเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องจะเป็นสติสัมปชัญญะได้ไม่เถอไม่เร็ว อ, อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดให้อยู่ อยู่กับพุโทโธไปไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุโทโธเนี่ยถ้าทำได้อย่างต่อเ น, นื่องเพียงยี่สิบชั่วโมงเนี่ยรับประกรนันได้นั่งสมาธิห้านาทีจิตก็หลวมได้เห็นต้องพยายามหาวันเวลาไปปฏิบัติแบบจริงจังสักทีเนีย่ยวันพระสมัยก่อนวันพระเป็นวันหยุดทางานพอดี คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าว่าไปปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติบ่อยๆเข้าพอสติได้กำลังได้ได้ฌานเมื่อไหร่ได้สมาธิเมื่อไหร่พร้อมที่จะไปบวชได้นะนพร้อมที่จะเห็นสามารถละกิเลสได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มว่าให้จิตรวมเปน็นอัปปนาสมาธิให้ได้ ให้จิตนิ่งสงบปราศจากความคิดปราศจากความอยากตอนที่จิตนิ่งสงบนี้ไม่มีความอยากความโกรธ แ, แสดงว่าจิตมีพลังสติที่จะหยุดความอยากได้แล้วอใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะว่ามันยังเป็นเหมือนมือใหม่หัดขับอยู่พยายามซ้อมไปบ่อยๆให้มันมีกําลังมากขึ้นบ่อยๆสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการและอยู่ได้นานขึ้น ตอนแรกอาจจะอยู่ได้ห้านาทีสิบนาทีต่อไปก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอย่างไรอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆก่อนถ้ามีความสามารถคํามชำนาญในสมาธิเอาจากสมาธิก็มีกําลังหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ตอนนั้นแหละไปไปทําข้อสอบได้นะไปหาความตายกันเนี่ยพระจุลน์ทไปหาความตายกันในป่าไปหาสิงสารัาศไปหาสิ่งที่น่ากลัวอันตร า, ายต่างๆ ก็พิสูจด้วยว่าท่านหยุดความกลัวได้แล้วปล่าหยดความอยากได้รปล่าคนที่จะไปอยู่อย่างนั้นได้ต้องต้องมีต้องมีฐานของจิตคือสมาธิถ้าไม่มีฐานพอไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากรวัวนี้วิ่งตลาดเปิดเปลืปองนะเพราะจะยินเสียงําลามเนะี่กลับดีก่ามีญาติอยู่บางคนมาขอขึ้นปฏิบัติ บ, ตบ น, นเขาพอสองทุ่เนี่ยขอกลับบ้านเลยผมระเจ้าเห็น <laughs> เป็นไม่หมดคือไม่มีสติพอที่จะยับยั้งความกลัวความอยากได้ความกลัวก็จะกความอยากความอยากให้ปลอดภัยความกลัวกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยกลัวจะตายกลัวจะมีอะไรมาทำลายนี่ก็พยายามทำเถอนเรายังมีเวลาตอนนี้ไม่สายกันไป ถ้าเราทุ่มเทเวลาให้มันจริงอย่างจรงสักห น, น, นึ่นนงวันนั่นเ่งไปลองทำดูทําได้เป็นจลสติหนึ่งวันนี่อย่าให้ไปคิดเรื่องโลกเลยไม่ให้ไปคิดถึงใครเลยให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้แต่อย่าไปคิดถึงคนนะั้นคนนี้เรื่องนะั้นเรื่องนี้แค่วันเดียวนะลองทําดูให้มีเวลาให้มันปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่างคุณหมอก็นานๆก็ขึ้นไปสักวันสองวันใช่ไหม เราไปในสติอยู่อยู่กับตัวไหมยืนดึงไหมไหมถ้าถ้าขึ้นไปสติอยู่กับตัวเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับเมืก็เวลาอยู่กี่อยู่อยู่กับคนอื่นนะอยู่กับที่ทํางานเ น, <c oughs> นี่ยไม่ไหวเยอะแต่อยู่แบบตอนนั้นแบบไม่มีเรื่องอื่นเข้ามายุ่งเลยมันยังไม่ได้นะยังวัดไปหาเรื่องนู้นหาเรื่องนี่อยู่เรื่อยใช่ครับถ้าไม่วัดได้สบาย รันเวยยาวๆเนียเราต้องมีการมี ร, มรันเวยยาวๆให้จิตมันเข้าสู่สมาธิได้ต้องมีเวลาจริญสติให้มากในสิ่งที่เราขาดกันทุกคนเวลานั่งสมาธิก็คือสติเนี่ยนั่งมาพุทโธได้สองสามวินาทีไปแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าห้านาทีก็กลับมาเอาใหม่ เ, เริ่มใหม่นั่งอย่างนี้บรรยมนตายก็ไม่มีทางเข้าสู่สมาธิได้ <c oughs> ผมได้ฟังพระอาจารย์แล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับต้องมาเมื่อเดือนหน้าเดือนหน้านี่ปิดสมัยประชุมแล้วครับพระอาจารย์ครับน่าจะได้มีโอกาสไปบ้างแล้วครับอาจารย์พลังมางเวลาเอาไปในสภาเวลาพูดเะไจะได้มีสติคอยคอยเตือนคอยเตือนใจคอยหห้ามใจเดือนหน้าที่มันทเลถ้ามันมีบางทีกรรมาภาลมันพาไปมันอาจจะพูดแรงกันไปจะได้เบรกมันได้บ้าง เราลึกถึงคําสอนพระอาจารย์ตลอดเลยครับที่นี่ตองนั้นนะนะเมื่อการเราชนะใครเ้าต้องการเพียงแต่เสนอเหตุผลข้อมูลให้เขาได้รับรู้เท่านั้นเองครับาสติของเราอาจารย์ครับแล้วคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะครับมีหลายคนที่บอกว่ากําลังป่วยอยู่เตรียมตัวยังไงครับอาจารย์ครับเขาแบบยนีไงก็ใกล้ตายแล้วนะเขาองลังที่ให้มากกำลังที่นี่สามารถฝึกได้ในทุกอิริยาบถสติเนีย ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในท่านั่งอย่างเดียวหรือเดินอย่างเดียวหรือยืนอยู่หมุนเตียงก็ฝึกสติได้ชวนมุนไปพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดอยาดใจปล่อยให้ใจคิดวันนี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งก็มาบอกว่าตอนนี้เป็นมะเร็งระยะก้าวหน้าแล้วเขาบอกหมอเขาหมอบอกเป็นระยะก้างหน้แล้วก็บอกว่าก็ต้องรักษาใจนั่นะร่างกายก็ปล่อยให้หมอเขาดูแลไปแต่ใจเราต้องทําให้มันสงบให้ได้ให้มันหยุดความอยากให้ได้ เราก็บอกตอนนี้ใช้เวลาให้กับการสวนบนต์ฟังเทศฟังธรรมอยู่ทั้งวันครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้กำลังไปเยอะครับเพรนั้เราต้องเตือนเร า, เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นของจริงเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่คิดถึงมันมันก็เลยลืมมันไปนการที่ให้เราเราเล่น อ, อยู่บ่ยบอยๆเพิ่มให้เราลืมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรามีข้อเสารอเราอยู่ เราทำข้อสอบเหล่านี้ได้หรือยังถ้ายังไม่ได้รีบไปทำเรียบรีบไปเต็มตัวไปทําเสียไปทําการบ้านเสียแต่ตอนนี้พรเดี๋ยวถึงเวลาข้อสอบออกมันจะจะสอบตกนะถ้าไม่ทําการบ้านไว้ก่อนโอากาสครับอาจารย์บอกว่ามีคุณจิรพรบอกว่าได้รู้จักพระอาจารย์จากช่องทางนี้นะครับในช่วงโควิดรู้สึกเป็นบุญในชีวิตอย่างยิ่งกับได้เป็นแรงบันดาลใจใ ห, ให้มีความเพียรขึ้นมากเลยนะครับ คุณสุเวกตาบอกว่าหากกําลังป่วยอยู่ในลักษณะรอวันตายมีอะไรเป็นสัญญาณว่าใกล้ตายไหมครับถ้าสังเกต่างกายเรามันก็จะรู้เราะแรงมันจะน้อยลงไปได้ื่อยๆกาลังวังชาของร่างกายมันก็จนะอ่อนไปเรื่อยๆถ้าเราสังเกตอยู่บ่อยๆเราจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเออเมื่อก่อนเราแข็งแรงเราทำนู่นทนํานี้ได้เดี๋ยวนี้ทําไม่ค่อยได้นะแล้วมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆ ตอนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีศรัทธาย่าโยงคนหนึ่งใส่บาตรทุกวันตอนนี้แก่และแปดสิบกว่าใส่บาตรไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ปวก่วยกันดูปวดหลังอะไรต่างๆลุกขึ้นเดินก็เดินไม่ได้เดินได้ น, นิดหน่อยก็ปวดแล้วตอนนี้เลี่ยวแรงก็ค่อยน้อยลงถามลูก็อตอนนี้มาใส่บาตรใช่ไหมได้ไห ม, ไ, ไ, หมไม่ได้แล้วละ่ะตอนนี้เวลากินอยังต้งนอนกินเลยะ จะดังว่าร่างกายมันกําลังมันค่อยๆหมดไปทีละนิดเทียนหน่อยมันค่อยๆบอกแล้วว่ามันนอกจากว่ามันมีอะไรที่มันฉุกเฉินนี่มันอาจจะเกิดแบบผุพับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะวายวะอาจจะเสื่อมหยุดทํางานกระทันหันที่หนุนหัวใจหยุดเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นอ่ะเราเต็มตัวเต็มใจว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาที ดีที่สุดพระเจ้าบอ่อยาประมาทให้ให้เตรียมตัวเตรียมใจให้สมมุติว่าน้ำกายเราสามารถตายได้ในทุกเวลาหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายนะให้ดูแค่นี้หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเราสามารถตายได้ในทุกลมหายใจเข้า มีคล้ายๆกันบอกว่าจะมีพยาบาลจากโรงพยาบาลมาให้คําปรึกษายิ่งหากใกล้เวลามากเขาจะบอกได้ว่าใกล้แล้วพออย่างนี้จะทํายังไงบ้างครับว่าใกล้แล้วครับก็ต้องรีบเตรียมตัวเดี๋เวลาเข้าห้องสอบนะต้องรีกฝึกสตินั่งสมาธิแต่ท่านจะมาทําตอนนั้นรู้สึกมันจะสายเกินเกินไปแล้วเหมือนกับพรุ่งนี้จะสอบคนนี้ค่อยมาคอดูหนังสือนี่มัน <laughs> มันรู้จะช่วยยังไงแล้วตอนนั้นอ มันต้องต้องเตรียมตัวมาล่วงหน้าก่อนนองเรียนที่เรียนเก่งๆนี้เขาเขาดูหนังสือตั้งแต่เปิดเทอมเลยเขาไม่จะมารอใกล้จะเปิดเทอมเขาดูทุกวันดูทุกวันทบทวนไปเรื่อยๆความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มาใั่ไมคุณหมอใช่ไม่ใช่มาคอยทําตอนช่วงสุดท้ายความรู้ที่เรียนมาทั้งเทอมมาทบทวนตอนวันสองวันก่อนจะสอบนี่มันไม่ไม่ทันการมันต้องทบทวนอยู่ทุกวันทุกวันสมมุติว่าพรุเนี้อาจะเป็นวันสอบเมื่อไหร่ซ้อมพร้อมทียจะตอบก็สอบได้หรือเปล่าเราคิดอย่างนี้ คุณเพียงพิษบอกว่าทำไมเราบอกว่าเราเตรียมตัวตายแต่พอมีภาวะที่เจ็บป่วยขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาจนลนลานครับก็เตรียมตัวไม่ถูกวิธีไนงะไม่มีเครื่องมือไนงะเหมือนเตรียมตัวรับกับยางแตกแต่ไม่มีไม่มียางยางอะไรไม่มีเครื่องมือที่จะถอดยางเลาะ อ, ออกยางแตกก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมการที่เราจะเตรียมตัวเปลี่ยนยางเราก็ต้องมีเครื่องมือมีที่มีแม่แรงยกให้เลาะลอยขึ้น มีที่ขันน็อดให้มันดูดออกมาแล้วก็มียางสำรองไว้ร้อ ส, สำรองไว้ไม่ใช่เตรียบตัวแบบไม่มีอะไรมันก็ลา ย, ยางแตกก็ทาอะไรไม่ได้เราต้องมีเครื่องมือเราต้องมีภาวนามีสมถภาวนามีวิปัสสนาภ า, าวนาโดยเฉพาะสมถภาวนาเนี่ยสาคัญจะรันสเตะให้ม า, มากๆทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ใน่ทุกิริยาบุให้อยู่กับร่างกายไปเร่ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรนั่งสมาธิให้จิตรวมให้ได้พอจิตรวมมาที่นี่เราพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำข้อสอบได้หายป่วยซึมเศร้าพอฟังคำสอนจากพระอาจารย์นะครับมีคนบอกอ ไม่เคยคิดถึงเรื่องเตรียมตัวเลยจนกระทั่งถึงวันที่แฟนเสียชีวิตไปต่อหน้าครับนั่นแหลมันต้องมีเหตุการณ์ที่มากระตุ้นเราโชคดีเรามีเหตุการณ์มากระตุ้นตั้งแต่อายุสิบสองขวมมีเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนตายไปคนหนึ่งต้องไปงานศพเขาเห็นเขานอนอยู่ในโรงมันก็ทำให้เราเลิกถึงตัวเราเองว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคนที่เรารู้รอดออกมา เราเขาลบก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันคิดไปเตรียมตัวไว้เลยพอเวลาเกิดเหตุการณ์คนตายขึ้นมาจะไม่ค่อยเศร้าโศกเสียใจเลยอาจารย์ครับมันเป็นปัญญาจากของเก่าของอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับเออาจจะเป็นบัญญาบารามีที่ได้สะสมมาแล้วก็อุเบกขาบารามีได้ฝึกสตินั่งสมาธิมาใจถึงไม่ค่อยรู้สึกอเศร้าหมองหดหู่ คนบางคนเห็นกำตายแล้วเศร้าหูดหูดไม่กล้าไป ไ, ปไม่มองศพไม่ไม่กล้าไปงานศพเลยบางคนงานศพของลูกตัวเองยังไม่ไปเลยอเพราะใจเขามันไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาตอนนั้นพาาระตันก็ยังไม่ได้ฝึกสมาธิเลยใช่ไหมครับ ย, ยังไม่เคยฝึกเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่จิตบางเรื่ก็ ม, มีอุเบกขาในตัวของมันเองเพราะเราอยู่ เราเป็นคนค่อนข้ ats, างจะสันโดษจะยินดีตามมีตามเกิดพ่อแม่ให้เราไปอยู่กับใครที่ไหนเราก็ไปตอนอย่างไม่ค mm ่อ hmm. ย oh. อยู่กับพ่อแม่ส่งไม่ฝากอยู e. ่กับใครเราก็อยู่เราก็ไม่บ่นไม่ไม่อะไรไม่ร้อะวันขอว่าให้กลับบ้านเรือะไรก็ปล่อยเราไปปล่อยเราที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นไปคทําหน้าที่ของเราไปเมื่อถึงเวลากี่ต้ไป ให้อยู่ให้มีความสุขกับสามีและลูกหลานานี่คิดถูกไหมครับอาจารย์ครับคืออยู่กับอยู่เวลาอยู่ค่อยมีความสุขได้แต่จะมีความมีความสุขตอนที่จากกันได้หรือไม่ น, นี้สําคัญกว่าอยู่ก็ต้องสุขเวลาไปก็ต้องสุขด้วยมีเหตุการณ์เมื่อวันที่สิบแปดครับโดนโกงไปหกล้านเครียดเศร้าสับสนกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ตลอดเวลาสามวัน คิดจะฟ้องคืนต้องเสียค่าทนายประมาณหนึ่งแสค่าวางสารประมาณแสนห้ายังไม่รว ม, มค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่ต้องสู้คดีอีกปีครึ่งถึงสองปีจนเมื่อบ่ายนี้ตัดสินใจถามพระอาจารย์ว่าควรทําอย่างไรดีพระอาจารย์สอนสั่งให้ปล่อยวางคิดว่าเป็นกรรมเก่าได้คืนก็ดีไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ทุกข์หลังจากคําสอนพระอาจารย์คือโล่งมากจริงๆปล่อยวางไม่แค้นเงินไม่ตามค่อยๆสะสมเอาใหม่ครับอื ที่ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วกันถ้ามันไม่ของเรามันก็ต้องอยู่กับเราผมหนุ่มน้อยครับผมทําประโยชน์แล้วผมต้องเขียน iPad เขียนบันทึกนานเลยแล้วผมไม่ได้ดู่อนคลายเลยเรียกว่าดีไหมครับถ้าเป็นประโยชน์ส่วนตัวที่เราไม่ต้องบันทึกไว้ก็อย่าไปบันทึกกันมันเสียเวลามันจะอยู่ในใจของเราเองถ้าเราทําความดีความดีมันจะฝังอยู่ในใจเราโดยที่เราไม่ต้องบันทึก ทุกครั้งที่เราคิดถึงความดีเราจะมีความสุขใจญ่แต่ถ้าเราเบันทึก้มันเป็นสัญญาแล้วบางทีเราก็จําไม่ได้พอจําไม่ได้มันก็จะทำให้เรารู้สึกเครียดขึ้นมาได้เพราะเราอยากจะจําได้เน้นอย่าไปจําเลยนะเราทําอะไรไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่าบางอย่างเราไปการเนหนังสือเรื่องอะไรที่ต้องจดจําเรื่องที่สอบเรเียนอันนั้ก็อีกเรื่อง แต่แทนเรื่อประสบการณ์ของชีวิตทำอะไรไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปพยายามฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันจะดีกว่ากับข้าวที่เราใส่บาตไปตอนเช้าพอตอนที่มันบูดอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่ได้มีความตั้งใจครับถ้าใส่บาตไปแล้วยก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่เราใส่มันไม่บูดก็แล้วกันแต่มันบูดเพราะว่า คนลัไปไม่ไม่รักษาหรือว่าไม่ได้อะไรก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบางยักษบางข้าวบางข้าวของมันก็เสียได้บางทีใส่บาตเป็นละผ้าเอาไปฉันแล้วก็ท้องเสียงขึ้นมาก็ได้เพราะเป็นอาหารอาหารมนพิษอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เป็นใช่เป็นความผิดของผู้ใส่บาตผู้ใส่บาตก็มีเจตนาที่ดีก็สรรหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยแต่เมื่อถึงเวลา สิ่งมันอาจจะมีพิภายที่ไม่สามารถมองเห็นได้กับตา ก, ก็ได้ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องหมูบัติเหตุไปอย่างที่พระเจ้าคอ ย, ยสั่งไว้ตอนที่ก่อนจะตายบอกว่าบอกคนที่ใส่บาตรให้ขั้นสุดท้ายว่าอย่าไปเสีย อ, อกเสียใจว่าใส่อาหารแล้วทำให้พระเจ้าตายพระเจ้าบอกไม่ใช่เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของเขาที่ทําให้ให้เขาพระเจ้าตายเป็นเรื่องกรรมของพระเจ้าที่ถึงเวลาจะต้องตาย ผมเตือนแล้วเขาไม่ฟังเราพูดแล้วก็ปล่อยถามว่าบาปไหมครับไม่บาปเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเราเราให้ความหวังดีเราเราบอกความสิ่งที่ดีให้กับเขาถ้าเขาไม่รับฟังเราก็เป็นเรื่องของเขาไปเราทําหน้าที่ของคนดีคนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเห็นว่าเขาทาสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เตือนเขาแต่ก็ไม่ยินดีที่จะรับฟังก็เป็นเรื่องของเขาไป เจ้านายไม่เคยเข้าใจและไม่รับฟังกดดันมากเบื่อจนกลายเป็นเกลียดแล้วจะวางใจอย่างไรดีครับยังไม่หวังอะไรจากเจ้านายเราสิย่าไปยากหวังให้เขาเข้าใจเราดีกับเราอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราควบคุมเขาครับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เขาไม่ชอบเราโกรธเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดโดยเขาจะว่ายัางไงก็ปล่อยเขาว่าไป ถ้อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ยากทางกันไปถึงเวลาก็ลงไปกันกลลทิตศกลลทางถ้ายังต้องอยู่ต่อกันก็ใช้ขันติใช้อุเบกขาเนี่ยทนไปเฉยๆไปอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่เครียดเราจะไม่ถูกเข้ามาติวข้อสอบด้วยครับไม่รู้จะผ่านไหมแต่จะพยายามต่อไปอย่างมีสติพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เสมอครับอ่าแล้วก็พยายามฝึกสหาเวลาฝึกสมาธิสักวันหนึ่งเถอ เนื่องว่ายังมีวันหยุดเยอะๆยในช่วงช่วงสงการนี้อยู่ตั้งห้าวันเนี่ยไปจ้อที่สถานที่ปฏิบัติธรรมดูนะไปอยู่สัก5้าวันได้ยิ่งดีโอโ้โหจะได้มีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิที่สิ่งที่เราขาดไม่ใช่ปัญญาปัญญามีอยู่พอสมควรแนละ้วสิ่งที่ขาดก็คือสติสมาธินี่ตัวนี้ มีคำถามว่านาโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานี่แปลว่าอะไรครับอาจารย์ทำให้ชำนาญทางบาลีนั้ต้องขออภัยด้วยท่นก็ต้องไปถามผู้ที่เขาเรียนทงนีู้เขาเรียนธรรมะเป็นภาษาไทยไส่วนใหญ่หรือภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนเป็นภาษาบาลีก็เลยไม่เข้าใจทุกคนกลัวตายถ้าเราละงับความกลัวตายแล้วจะไม่เป็นทุกข์ กับความตายขอความเมตตาพระอาจารย์ขอวิธีการที่ทําให้ไม่กลัวด้วยครับพระยอมรับความจริงอยอมรับว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่เราดิ้กเด้งไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งต้งรู้ว่าผู้ที่ตายไม่ใช่เราถ้ารู้นี้่นะมันจะช่วยได้เยอะเราเป็นผู้รู้เป็นท่านรู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขเป็นเหมือนรถยนต์กันหนึ่งเราเป็นเหมือนคนขับแยกร่างกายกับ ใจให้เป็นอย่างเหมือนรถยนต์กับคนขับเวลารถยนพังคนขับไม่ได้พังไปกับรถคุณแคทครับถ้าเรามีเวลาไปปฏิบัติธรรมติดต่อกันเจ็วันจะดีกว่าอยู่บ้านนั่งสมาธิเองซึ่งทาได้ไม่มากเพราะกิเลสมันเยอะจึงทำให้นั่งได้น้อยเราควรไปปฏิบัติธรรมแบบต่อเ น, นื่องดีกว่าไหมครับดีแน่นอนแต่คนรยัตเสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วิวเวกที่สงบ ที่สัง่งสแล้วปฏิบัติคนเดียวได้ยิ่งดีนะถ้าไป็ปฏิบัติเป็นกลุ่มนี่มันก็สําหรับผู้ฝึกผัดในเบื้องต้นถ้ายังปฏิบัติเองไม่ได้แตเป้าหมายที่แท้จริงก็คือต้องการให้ไปอยู่ปฏิบัติตามลาพังจะ ไ, ได้ไม่มีอะไรมาหลอกล่อใจเราให้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้พเพราะมันจะทําให้ใจเราต้องคิดคิดแล้เดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านให้อยู่คนเดียว มีาทางทานที่นา่ก็นิย่ยให้เราปฏิบัติของเราได้อยู่คนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครอย่างเนี้โอกาสที่จะรักษาสติรักษาใจไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะมันจะมีมากกว่าเวลาที่เราต้องเกี่ยวข้ อ, ของกับคนนั้นคนนี้ไม่ค่อยได้ใส่บาตรแต่ทําอาหารไปแจกคนสูงอายุและดูแลผู้สูงอายุตัวเองก็เป็นอสมอครับเหมือนกันเหมือนเป็นการทําบุญเหมือนกัน เพียแต่เรามักจะนิยมเแยกว่าเป็นการทําทานแต่ความจริงทําทานการทําคําว่าทานก็แปลว่าการให้ให้พระก็เป็นทานอย่ำหนึ่งให้ญาติโยมก็เป็นทานเหมือนกันผลที่ได้คือบุญเหมือนกันกาบเรียนพระอาจารย์ครับการยึดตัวตนคือการยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราใช่ไหมครับใช่คือความหลงไง หลวไม่ค sure ิดว่าร่างกายนี people, midst, right ้เป็นตัวเราหลวงไม่คิดว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ว่าเราเป็นผู้มีความรู้สึกนั้นเราเป็นผู้คิดผู้ผู้จําได้หมายรู้ผู้รับรูปเสียงกีรติคำยิ้มยิ้มท่ารู้เป็นผู้ผู้ผู้กระทําสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนตัวตนนี้มันเป็นเป็นเหมือนตัวนิยายที่ความหลงผลิตขึ้นมาเท่านั้นเองพอรานั่งสมาธิพอจิตสงบ เวทนาสัญญาสังขารหยุดทํา ง, งานเชื่อข่าวนี้ตัวหายไปเลยมันจะเรู้อ๋อมันมาจากความคิดปรุงแต่งตัวตนนี้มันมาจากความคิดปรุงแต่งตัวจริงๆนะเป็นแต่แค่ตัวรู้เท่านั้นเองเป็นธาตุรู้ต้องฝึกสมาธิถึงจะเห็นชัดเราถึงจะเข้าใจว่ารู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ตัวเรา การเจริญสติไม่ให้ฟุ้งซ่านต้องทําอย่างไรครับมันยากมากเลยครับก็ต้องมีอารมณ์ยึดผูกใจไว้ไงให้ให้ใจต้องเกาะอยู่กับอารมณ์เช่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยหรือเฝ้าดูการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบทในทุกขณะเลยมันก็จะไปคิดตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ใหม่ๆม่ไม่ง่ายจะทําได้วับหนึ่งแล้วกลับไปคิดก็เดินกลับมากลับไปกลับมาใหม่ๆก็เป็นเหมือนชักกรเยอะกันความ ความคิดมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะปล่อยมันก็จะดึงไปกับความคิดแต่ต่อไปสติเรามากขึ้นมากขึ้นเราก็จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับการเข้าดูร่างกายได้นานขึ้นยาวขึ้นต้องพยายามฝึกทําต้องใจเย็นๆไม่ใช่จะทปุ๊บจะได้ปั๊มเนี่แต่ขอให้เรามีเป้าหมายว่าเราจะมาเจริญสติมาหยุดความคิดกันมาผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ พุโทโธก็ได้ดูร่างกายก็ได้คนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายร้องไห้ง่ายแบบนี้แสดงว่าเขาไม่มีสติใช่ไหมครับใช่สติน้อยสติมีแต่ยังไม่น้อยไม่มีความหนักแน่นไม่มีบเบรคขา มันไม่สบายนอนภาวนาสมาธิแล้วรู้สึกว่าโล่งสบายกายหายไม่สบายมีพลังมีกำลังคืออะไรครับก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความความความสงบของจิตจิตที่ไม่ได้ความสงบมันก็จะฟุ้งซ่านไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันก็จะเป็นทุกข์สองสระดับด้วยกันทุกข์กายแล้วยังต้องมาทุกข์ใจในพอเราทาใจให้สงบได้ความทุกข์ทงใจนี่หายไป ซึ่งความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากความทุกข์ทางใจมันก็รู้สึกงองเบาสบายความทุกข์ทางร่างกายถึงแม้จะมีอยู่บ้างก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างไงการเดินปัญญาต้องเดินในสมาธิหรือนอกสมาธิครับต้องเวลาไม่อยู่ในสมาธิเช่นขณะนี้เราสามารถตอนนี้เราก็จเจริญปัญญากันอยู่การทำธรรมนี่ก็เป็นการจเจริญสุตะมะยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอาไปทบทวนต่อเพื่อจะนั้นไม่ลืมอันนี้ก็เรียกว่าพะกินตาไม่แยกปัญญาเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่ต้องทําในเวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธินี่เราต้องการหยุดความคิดนั้นเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้ถ้าเจริญปัญญามันก็จะเข้าสมาธิไม่ได้เป็นคนเตรียมอาหารให้ลูกเป็นคนไปใส่บาตรอย่างนี้เราได้บุญด้วยไหมครับ ก็อยู่ที่อาหารนี่เป็นใครเป็นเจ้าของถ้าเราเป็นเจ้าของเราก็ได้บุญจากการที่เราเสียสละอาหารแต่คนที่เอาไปใส่บาตรเขาก็จะได้บุญที่เกิดจากการรับใช้เราช่วยเหลือเราเป็นบุญคนละชนิดกันแล้วถ้าเราเป็นคนทำล่ะครับอาจารย์ทํำเราได้ทั้งสองส่วนนะเราได้ทั้งสองใส่บาตรด้วยเราได้ความเพียร ได้เพลได้วิริยะบาลมีความเพียรที่เป็นตัวที่จะช่วยผักดันให้เราไปปฏิบัติสติสมาธิได้พระวัดป่าที่แต่งกายสีแก่นขนุนหากจะถวายพระห่มพระที่สีไม่เหมือนแก่นขนุนเสียทีเดียวท่านนําไปใช้ได้ไหมครับหรือจะเสียประโยชน์ไม่ควรถวายครับคือ ข, ของที่ถวายพระไม่เสียประโยชน์ถ้าทําไม่ใช้ท่านก็มอบให้กับผู้อื่นไปอาจจะให้พระรูปอื่นหรือให้กับ พร ะ, ะลูกอื่นมีพอเพียงแล้วก็ให้กับคนยากคนจนคนที่ไม่มีพ้าหมได้งนั้นการทำบุญให้กับวัดนี้ไม่มีการเสียประโยชน์ได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าวัดจะมีของเข้าของมากมายเพียงไหรก็ตามวัดก็ไม่เก็บเอาไว้สะสมไว้วัดก็จะระบายไปบริจาคเป็นทานให้กับผู้ยากไร้ต่อไปนั่งสมาธิดูลมหายใจพอครบหนึ่งชั่วโมง มีเวทนาปวดขามากจะข้ามเวทนาอย่างไรครับก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเพิ่มด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธด้วยการสวดมนต์ขึ้นมาถ้าเราคิดถึงความตายระหว่างวันทุกวันจะช่วยให้เรามีสติเมื่อถึงเวลาที่เราตายได้ไหมครับก็ได้เพียงแค่รู้ว่าเราจะต้องตายแต่เราอาจจะยังนี้ ไม่สามารถที่จะทำให้เราไม่โกวตายได้เพราะเรายังไม่สามารถหยุดหยุดใจไม่ให้มีความอยากได้ดังนั้นต้องฝึกสมาธิด้วยมีสติอย่างเดียวก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งในสติก็ได้ทำให้ใจนี้ลดความโกวตายได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้หมดนี้จิตต้องเข้าสู่สมาธิให้ได้เพรตอนนี่เรามีสติเรายังคิดอยู่ แล้วทีเราก็จะคิดถึงความตายแล้วเราก็อาจจะกลัวกลัวความตายขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราสมเข้าสมาธิหด้านี้เราจะสามารถหยุดความอยากอย่างไม่ตายได้เราก็จะไม่กลัวตายโมแต่ทำมาหากินไม่มีเวลาไปวัดทำบุญเลยแต่กับพ่อแม่ดูแลดีอย่างนี้เป็นบุญไหมครับการดูแลพ่อแม่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นการทำบุญ ที่ว่าได้ทำบุญกับพระอรหอะไรทีเดียวได้บุญมากทำบุญกับพ่อกับแม่นี่ยได้บุญมากไม่ต้องไปวัดก็ได้ครูบาอาจารย์น้องลูกท่านบอกว่าอย่ามาวัดอย่ามาทำบุญที่วัดทำบุญกับพระที่บ้านก่อนทำบุญกับพ่อแม่ก่อนให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีสุขสบายก่อนแล้วถ้าอยากจะไปทำบุญกับพระน่าจะวัค่อยไปต่อตอนนี้เริ่มทต้นทำสมาธิเพราะรู้สึกว่าพบปัญหามากมายเป็นทุกข์ ความสงบจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้หนูถูกต้องหรือไม่ครับอาจารย์ความสงบเองไม่ไม่ไม่สามารถทําให้เราแก้ปัญหาได้มันเป็นอย่างทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับปัญหาเราจะแก้ปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุว่าปัญหาเกิดจากเหตุอะไรแล้วเราสามารถรับเงาเห็นุนั้นได้หรือเปล่าเราถึงจะแก้ปัญหาได้ต้องใช้ปัญญา แต่การสงบนี้จะทำให้เราใจเราไม่ทุกข์กับปัญหาแต่ปัญหาก็ยังอาจจะอยู่เช่นเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งก็ยังอยู่ต่อไปแต่ใจเราไม่ไทุกข์กับโรคมะเร็งเพราใจเราสงบบางครั้งนึกถึงหน้าคนหน้าตาดีและนึกไปถึงโครงกระดูกที่อยู่ภายในร่างกายนั้นเป็นวิธีการฝึกสติใช่ไหมครับเป็นการฝึกปัญญาเพื่อให้<ม>ระงับเอามาใช้ระงับการมารมณ์ การมาลมมักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเห็นของสวยๆเงางามพอเราไปเห็นอของที่ตรงกข้ามกับของของที่สวยๆเงางามการมานลมก็จะนับดับไปกรับเรียนถามครับถ้าเราทำงานบ้านเช่นล้างจานเราควรบริกรรมพุทโธขณะล้างจานหรือเอาความรู้สึกไปไว้ที่มือขณะล้างจานและหยุดบริกรรมพุทโธครับ อย่งได้อย่างหนึ่งก็ได้หรือสองอย่างคู่คู่ไปก็ได้นะแต่แเราอเป้าหมายก็คืออย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นการโอนเงินทําบุญไปทางมือถือได้บุญเท่ากับการถวายกับมือไหมครับเท่ากันถ้าเข้าไปในบัญชีของผู้ที่เราปรารถนาจะถวายเพราะถ้ารับมากับมือเราท่านก็ไปเข้าบัญชีอยู่นี่ เรยวท่สุดะดวกที่สุดท่านไม่ตงเสียเวลาไม่เอาไปเข้านั่งสมาธิดูลมทุกวันจะทราบได้อย่างไรว่าสมาธิที่ทำอยู่มีสติตั้งมั่นส่วนตัวจะเข้าสมาธิเร็วดูจนลมเบาแทบไม่หายใจไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมครับยังไม่ถอกถ้าเท่าสมาธิได้จริงๆมันจะเป็นประสบการณ์ที่มหาศาลใจเป็นเหมือนกับ ฟ้ากับดินมันคนละอย่างกันเหมือนอยู่ในห้องที่มันร้อนที่มันวุ่นวายแล้วก็จิตรวมสมาธิเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ที่เงียบสงบอยู่คนเดียวมันต้องเป็นมันมีก็ต้องมีการพลิกหน้ามือเป็นหนังมือของจิตเราถึงยังถึงยังเรียกว่าเข้าสมาธิจริงๆเหมือนฟ้ากับเหมือนกับนรกกับสวรรค์เลยพูดง่ายๆกันได้ตอนที่ใจทุกข์ใจเครียด่ยพอทําสมาธิทําใจให้สงบได้ใจนิ่งเย็นสบาย เหมือนจะออกจากนรกเข้าไปสู่สวรรค์ถ้ายังไม่เป็นแบบนั้นก็ยังแสดงว่าไม่สงบไม่สงบจริงเวลาโดนกดดันเรื่องงานจากหัวหน้าจะมีวิธีปรับใจอย่างไรครับก็ยอมรับเสียว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะกดเขาปล่อยเขากดไปถ้าเราไม่ทําตามเ้าสั่งเราก็อาจจะไม่มีงานทําก็ได้ อะไรอยากจะทำงานนะอยากจะมีเงนินเดินอยู่ก็ต้องอดทนอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาก็ต้องไหวเขาสั่งเรามีหน้าที่รับคสั่งแล้วก็ทำไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้การใส่บาตรด้วยอาหารแห้งกับอาหารสดผลบุญที่ได้รับแตกต่างกันไหมครับผู้ให้ไม่ต่างกันแต่ผู้รับอาจจะต่างเพราะว่าอาหารแห้งบางทีกินไม่ได้ ยังไม่แต่อารส่วนที่เกินได้บางทีต้องเอาไปประกอบไปไปทำอะไรก่อนคือเจตนาต้องการให้เก็บไว้แต่ทางาศาสนานี่ไม่ห้ามไม่ให้พระสะสมอาหารไว้ยกเว้นว่าถ้าไปถาวายให้กับวัดให้ให้วัดเป็นผู้เก็บนี่ได้อยู่แต่ถ้าให้พระเก็บเองไม่ได้ให้ให้วัดเก็บไว้เพื่อวันไหนบินบาบขาดแคลนไม่มีอาหารพอกิน ก็อาหารที่มีคนก็ถวายเป็นอาหารแห้งเอามาทําได้อย่างสมัยที่ไปอยู่ว่าปากบ้านฐานยุคแรกๆนี่ยากจมเนี่ยเข้าไปไม่เยอะเพราะมันมบินถายกลับมาไม่มีกับข้าวมีแต่ข้าวเหนียวมีน้อยมากก็เลยต้องอาศัยปลากระป๋องมัง่อจับเกี๊ยมไัยที่ใส่กระป๋องมัง่งผักกาดดองมาทําเป็นครุข่ายนุสิ์ทําให้แล้วก็มาถวายพระ แล้วก็นมข้นกามาเป็นของหวานถวายนมข้นโอเห็นกันไปกินนมข้นยังไงครับอาจารย์ยก็จินน้มเอาแล้วก็อยู่ก็จิ้มนมข้นไปโอ้โห <laughs> บ้านตัดเคยขาดแคลนอย่างนั้นมา ก, ก่อนนะครับอาจารย์อ๋อนี่เป็นนเราไปใหม่ๆยังคนไม่ค่อยมากคนจะมาแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็นับไม่กี่คันงนะครสิบครั้งอะไร แต่ต่อมาก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆคน น, นั้นรู้จักหลวงตามากขึ้นแต่ไม่บ่อยนะอการที่จะต้องเอาปลากระป๋องของที่เป็นของแหน่มาทําถวายพะระแต่ก็มีบ้างอีกอย่างเหมลวงตาท่านก็เมตตาให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาจัดทํากับข้าวแบบอาหารภาคกลางผัดผั ด, ผ, ดผัดอะไรนี่ผัด มาถวายพระพระส่วนหนึ่งที่มาอยู่ที่วัดป่าม่าถางจะเป็นพระที่มาจากภาคอื่นไม่ใช่เป็นพระชาวภาคอีสานซึ่งบางทีก็อาจจะกินอาหารอีสานที่ได้จากชาวบ้านไม่ได้ได้ก็เลยให้ชาวลูกศิษย์เขาทําอาหารเป็นพวกผัดเป็นผัดผักผัดกะหล่ำปีผัดอะไรอย่างเงี้ยผัดหมูผัดอะไรแล้วก็มาแจกพระถวายพระใส่บาตรพระเงินครับครพระอาจารย์กินอาหารอีสานได้ สบายเลยไหมครับอาจารย์ก็มันก็มันก็แบบว่าที่น um, uh, ั e um, ่นเราไม่สามารถเลือกอาหารเราใส่บาตรได้ท่านไม่ให้อนุญาตให้พระนั่งเลือกก็ตักอาหารใส่บาตรเองท่านจะให้พระอาหารที่ลวงตาท่านตักแล้วเอาไปตักใส่บาตรแต่ละองค์องค์ทัพพีทัพพียังมันก็มีทุกชนิดอาหารที่ที่เข้าไปอยู่ในบาตรแต่ก็ฝึกมาแล้วเคฝึกเอาาคนอาหารเป็นเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อน ตอนที่ฟังเทศครูบาอาจารย์จะเอาจิตไว้ที่เสียงเทศหรือเอาไว้ที่คาบริกรรมครับเสียงเทศอย่าไปบริกรรมอย่าไปดูลมเพราะเราต้องการความรู้จากการได้ยินได้ฟังอย่างหนึง่งแล้วเสียงเทศเองก็เป็นเสียงที่สามารถกลอมใจของเราให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเรายังก็จะ อ, อยู่กับเสียงเทศเสียงเทศอยู่เสียงเทศนี้ก็จะเป็นอารมณ์ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าเราเข้าใจพิจารณาตามได้เราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ลูกพูดไม่ดีกับแม่แม่เตือนลูกย้อนบอกว่าก็เหมือนแม่นั่นแหละอย่างนี้ใครบาปครับก็ดนธรรมงานลูกก็บาปนะที่จะไปว่าแม่แต่ก็มางทีแม่ก็ไม่ฉลาดไมไสอนลูกด้กวยตัวเอง น, นี่มันลูกมันก็เถียงได้บางทีมันอาจจะต้องใช้อุบาย ให้คนอื่นอสอนแทนเนี่ถึงจะได้แต่บางคนลูกบางคนมับนบางทีก็สายเกินแก้วนะถ้าไม่สอนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเกนี่ยพอโตขึ้นมามันก็จะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะไม่มีใครสั่งสอนบางทีเราก็ตองอาศัยครูเรียนอะไรหรือไปวัดไปอะไรแล้วก็ฟั ง, ฟ, งฟังเทศหลวงพระเทศให้ฟังเพราะถ้าพ่อแม่เป็นคนมาพูดอะไรก็เหมือนจะเอาประโยชน์ใส่ตัวเองลูกมันก็ยาวน์เก่ไปได้ การที่เราฝันเห็นพี่ชายที่เสียไปแล้วและเราถวายสังฆทานถวายผ้าไต่ไปบุญนี้พี่ชายจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นไหมครับถ้าเขารอรับอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าเขาไม่รอรับอยู่เปนความคิดถึงของเราเองเราก็ได้บุญเต็มที่ของเราบุญที่ส่งไปก็กลับมาหาเราเพราะไม่มีใครรับบุญที่เจ้ากรรมนายเวรสามารถรับได้คือการสวดมนต์และการเจริญภาวนาถูกต้องไหมครับ ไม่ถูกหรอกบุญที่ได้อุทิศให้คนตายไนดะ้ถ้าจนนเจ้ากรรมนายเวรยังมีชีวิตอยู่นี้ได้อยู่ไม่ไม่ใช่ด้วยการส่วนมลด้วยการภาวนาด้วยการไปทําความดีกับเขาทําให้เขามีความสุขถ้าเห็นเขาชอบอะไรก็ซื้อของเหล่านั้นไปให้เขาดูซื้อ บ, บ่อยๆเข้าเดียวเขาก็รักเราเองจากการที่เราเขาเกียดชังเราก็จะกลายเป็นรักเราได้แต่การส่วนมลจะนัภาวน า, น, น, า น, นี้ทําอะไรให้ใครไม่ได้นอกจากเป็นเป็นการทําความสุขให้กับตนเองนั้นเอง บุญทุกอย่างที่เคยทํามาหลังสวดมนต์เราแบ่งบุญให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตแบบนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกบุญที่จะต้องบุญที่เกิดจากถ้าจะแบ่งให้ผู้อื่นแบบนี้ต้องผู้ที่รุ่งระาไปแล้วนี้ต้องเกิจากการทําบุญทําทานอย่างหนึ่งเราต้องทําใหม่ไม่ใช่อของเก่ามาให้อยู่เรื่อยๆให้ไปแล้วมันก็จบแล้วเราจะมาพรุ่นี้เอาของเก่ามาให้ได้เมื่อให้ให้ไปแล้วหมดแล้ว ก็ต้องหาของใหม่มาให้ผมฝากทำถวายอาหารถาดตอนเช้าถวายพระอาจารย์ควรจะแจ้งชื่อในขณะที่ถวายอาหารหรือไม่ครับถ้าเราเราไม่ต้องแจ้งหรอกเพราะว่ามันเราเกิดเราได้รับประโยชน์คือได้รับความสุขจากการที่เราเสียสละไปแล้วส่วนผู้ให้จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สำคัญจะแจ้งชื่อก็ได้ไม่แจ้งก็ได้ มันเป็นประเด็นสําคัญถ้าเราตําหนิผู้อื่นอยู่ในใจอย่างนี้เราบาปไหมครับก็คือว่าสิ่งที่เราตําหนิเ้านี่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องมันก็ไม่บาปถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ควรทำเพราะมไม่เกิดประโยชน์อะไรคนจะมาตําหนิตัวเราเองจะดีกว่า น้องสาวเป็นจิตเวทอีกหน่อยพ่อแม่ตายไปจะวางใจอย่างไรให้น้องสาวมีคนดูแลครับเพราะผมอยากบวชหลังจากที่ทำหน้าที่เสร็จแล้วครับก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญ ต, ต, ต, ตามกรรมเวลานั่งสมาธิดูความไหวในร่างกายสักพักสมองจะเต้นตุบตุจะตึงศีษะจะแก้อย่างไรครับไม่ต้องสนใจ ถ้าเกิดจากช่วงในเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นมันก็เป็นกิเล ส, สมาอย่างหนึ่งมันเป็นมาที่จะมาคอยขัดขวางการภาวนาของเราอย่าไปให้ความสำคัญให้เกาะติดอยู่กับการภาวนาถ้าดูลมก็ดูลมถ้าบริกรรมพูดโทก็พูดโรไปแล้วเดี๋ยวอาการกต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไป ควรจะมีวิธีคิดและปฏิบัติให้ใจเบิกบานไม่ขุนมัวเหงาหงอยหดหู่แม้เมื่ออยู่โดดเดี่ยวเนื่องจากคนใกล้ชิดจากไปทีละคนได้อย่างไรครับทําให้สงบไหมทําให้ใจหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบจะมีความสุขที่หดหูที่เหงาหงอยเพราะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่เขาจากเราไปแล้วอยากจะให้เขากลับมาอยู่กับเราพอเขาไม่มาอยู่กับเราเราก็เลยเศร้า พอหยุดคิดปั๊บความเศร้าวความเหงาก็จะหายไปอยู่คนเดียวได้อย่างสบายอยู่กับความสงบของใจวันพระไปถวายเพนที่วัดฟังเทศและสวดมนต์นั่งสมาธิถือว่าเป็นการสะสมบุญใช่ไหมครับใช่ถ้าเราซื้ออาหารไปใส่บาตรตลอดเวลาเราจะได้บุญหรือคนทำอาหารขายได้บุญด้วยครับ เราได้บุญคนเดียวเพราะเป็นเงินของเราคนขายอาหารเขาได้เป็นเงินของเราเขาไม่ได้บุญเขา ท, ทาธุรกิจถ้าเขาไม่รับเงินของเราเนี่ยเขาจะได้บุญด้วยเช่นเ็าบอกว่าขอทาบุญไม่ไม่รับเงินเอาของไปเลยอย่างนี้เขาก็จะได้บุ ญ, ก, บ ก, บ ญ, บ ก, บญก็ไม่เก็บตางจากเราแล้วเราเอาไปใส่บาตรเราก็ได้บุญอีก ผมรักษาแพนิกจากโรงพยาบาลไม่หายจนมาค้นพบพระธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ถึงหายผมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากครับก็ยินดีด้วยที่สามารถใช้ธรรมะรักษาโรคจิตได้ถ้าเป็นโรคจิตนี้ธรรมะดีกว่าวิชาความรู้ของจิตแพทย์ เคยได้ยินว่าควรถวายช้อนซ่อมไปด้วยเมื่อตายไปจะได้ใช้กินข้าวได้จริงๆเราอิ่มด้วยบุญไม่ใช่หรือครับใช่มันเป็นความเชื่อไงว่าบางทียังต้องถวายเขาชายข้าวแล้วก็ต้องถวายน้ําด้วยก็เลยถวายใส่ขวดน้ำเข้าไปทักขวดสองขว ด, ขวดก็เต็มบาทนะครมันต้องดูการระเทสะในการให้ของว่าพระท่านรับอะไรได้บ้างในขณะที่ท่านมบินตลาด น, นอกจากว่าท่านมีลูกศิษย์มาช่วยขนนี่ก็ไปอย่างหนึง อย่างที่แล้วเนี่ยบางทีถวายน้ำต้องแพ็กเลยเงี้ยถ้าเราใส่บาทเราก็เต็มไปและ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้สึก่ารรับเอาไปใส่รถไปเอาไปขับไปส่งที่วัดอีกทีหนึ่งต่อไปอันนก็ต้องดูว่าพระท่านรับได้หรือไม่ของงอย่างถ้ารับไม่ได้ก็อยากพุ่งไปถวายท่านเราไปที่วัดก่อนแล้วไปถวายที่วัดก็ได้ เป็นซึมเศร้าคิดแต่อยากตายแต่ก็กลัวบาปที่พระอาจารย์สอนแล้วแม่ก็ขอว่าอยากทำเราควรทำใจอย่างไรครับทำใจให้สงบฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆพ อ, อใจสงบแล้วอาการซึมเศร้าจะหายไปเหมือนที่เมื่อกี้ญาติโยมคนหนึ่งพูดเนยใช้ใช้การปฏิบัติทำแก้ปัญหาเรื่องจิตใจได้ วันนี้ก็มีคนถามเรื่อง mercy curing กับผมครับอาจารย์ว่าเป็นยังไงครับอาจารย์ก็มาไม่ว่าจะฆ่าด้วยสใุทัไงก็่ามันอยากฆ่าปล่อยให้นั่งกายมันไปตายของมันเองโดยธรรมชาติแล้วก็จะไม่ได้สร้างเวรทั้งกรรมให้กับตัวเราครับคนอื่นด้วยการใส่บาตรตักบาตรทุกวันได้บุญไหมครับได้ อายุอยู่ปลายชีวิตแล้วชีวิตยังวุ่นวายพยายามทําตามที่พระอาจารย์สอนแต่ยากมากขอคําสอนเพิ่มเติมจากพระอาจารย์ด้วยครับเ อ, อ้องทําให้มากขึ้นพยายามหาวันหยุดนล้วทำแบบต่อเ น, นื่องทั้งวันทั้งคืนดูมันถึงจะได้ผลถ้าทําแบบวันละครึ่งชัวงวช่วโมงวันละชั่วโมงนี่มันจะไม่ได้ค่อยได้ผลเท่า ได้ยินเสียงสวดมนต์คอยแววมาหลังปฏิบัติธรรมหนักเราควรจัดการทำอย่างไรตอนนี้เลิกนั่งแล้วครับก็ไม่ต้องสนใจก็รู้ว่าเป็นเสียงนั่นเงก็มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราและอยู่กับพุโทโธต่อไปความทุกข์เอ่อขอไปครับความสุขของพระอรหันต์ต่างจากความสุขของมหาเศรษฐีหมื่นล้านยังไงครับ ความสุขใจนี่มันเป็นความสุขที่อิ่มที่พอที่ปราศจากความวิตกกังวลกวงใหญ่ความสุขของมาเสฐีนี่ยังมีความความวิตกกัวงวลหนุนใหญ่อยู่กับทรัพย์สมบัติของตนอยู่ว่าจะอาจจะเกิดขึ้นกับมันมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงหรือจะหมดไปมีอะไรมันก็จะทุกข์ถ้าเป็นความสุขทางโลกถ้าต้องถ้ามีความสุขกับสมบัติกับอะไรก็ตามมันจะมีความทุกข์ตามมา เพราะสิ่งที่เราได้มันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมันเป็นอนิจจ์เมื่อเป็นอนิจจ์มัน ก, ก็ต้องเป็นทุกข์อนิจจ์ทุกข์ขังตามมาเพราะเราอยากจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้หรือไม่ความกังวลก็เกิดขึ้นความวิตกความหวาดกลัวก็เกิดขึ้นแต่ถ้าความสง บ, บนี้มันไม่มันเกิดจากการทําใจให้นิ่ง เ, งเฉยๆไม่มีสมบัติไม่มีอะไรมันก็เลยไม่มีความทุกข์ตามมา ก็มีนิทานในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งไปบวชเป็นพระแล้วในที่สุดก็มารู้เป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์นี้เวลาใครไปไหนมาไหนก็บน่นพุ่งพันว่าสุงเนอสุงเนอะพระเนี่ยไม่เข้าใจก็คิดว่าท่านไม่มีสติเลยไปรายงานให้พระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกเศรษฐีก็มีพระที่เป็นเศรษฐีนี่มาว่าทําไมเธอไม่มีสติได้ไงถึงบ่น พ, นพุมงพันถ้าเขาก็ตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกข้าพเจ้ามีสติตลอดเวลา เป็นแต่วความสุขที่ได้จากการบรรลุธรรมนี้มันมันมีพลังจน ก, กระทั่งทําให้อดการไม่อยู่มันกต้องระบายออกมาบ้วนเพิ่งความออกมาสุขเน้อสุขเน้อพอสมัยที่เป็นเศรษฐีนี้ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนนั่งสมาธิแล้วเพ่งไปที่หลังที่ปวดหายปวดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้เราให่ได้นั่งเพื่อรักษาร่างกาย ถ้าจะหายก็ก็แล้วแต่เราไม่เราไม่รู้ไม่กล้ายืนยันแต่สิ่งที่เราต้องการให้หายก็คือความทุกข์ใจความมึนลายใจเวลาใจสงบความทุกข์ใจความมึนลอยใจก็จะหายไปชั่วคราวจิตดูจิตดูอย่างไรครับยังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้เม่งต้องให้ดูพุทธโธก่อนให้ดูลมหายใจก่อนเพื่อการฝึกสติให้จิตมีกําลังมีสติที่จะ สามารถหยุดจิตให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิตอีกทีอันนี้ดูจิตแล้วก็หยุดจิตไม่ได้ก็อย่าไปดูเวลาจิตโกรธเวลาจิตโลภเวลาจิตหลงเวลาจิตกลัวเนี่ยถ้าเราไม่มีสติหยุดมันไม่ได้ก็อย่าไปดูมาให้เสียเวลามาฝึกสติสร้างสติให้ก่อนด้วยการดูดูลมหายใจเขา้าออกหรืออยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าจิตจะสามารถหยุดจิตได้เข้าสมาธิได้ หลังจากนั้นถึงจะค่อยไปดูจิตได้ขอคําสอนพระอาจารย์ให้ละความห่วงละความเป็นของเราครับก็ต้องอย่างไม่ใช่ของเราเมันเกิดมาแล้วก็ามาตัวเปล่าเปล่าใช่ไหมแล้วเวลาตายไปเราอะไรไปได้หรือเปล่าก็แค่นี้ก็เห็นความจรงิงนะมาตัวปเปล่าเปลาเวลาไปก็ไปตัวปเปล่าปลแสดงว่าทั้งอย่างทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ของเราเลย ถ้าเป็นของเราเราก็ไปได้ของที่จะเป็นของเราที่ติดตัวไปกับเราก็คือบุญกับบาปนี้ท่านั้นเองทางที่พรจ้าบอกนรมีกรรมเป็นของของเราเนี่ยอันนี้แหละกรรมก็คือบุญกับบาปนี่จะทํากรรมอันหดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนอกจากนั้นไม่ใช่เป็นของเราเลยรับยศสรรเสริญสุขยศตําแหน่งสวนายยกอะไรนี่เป็นของชั่วคราวนั้นนะตายไปเราใส่ลงไปไม่ได้ เราเอาแต่เพียงแต่ร่างกายไปเท่านั้นเองร่างกายก็เอาไปไม่ได้ใจก็ยังเอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่ใ จ, จเอาไปได้เลยของที่มีในโลกนี้เพราะมันเป็นของโลกนี้เป็นธาตุสี่เป็นธาตุดิน น, น้ำนมไฟใจเป็นธาตุรู้ใจเอาไปได้ก็เพียงแต่บุญหรือ บ, บาคนที่ตายไปแล้วจะไปเกิดทันทีไหมครับถ้าเป็นมนุษย์ยังไม่เกิดทันทีหรอก ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนยกเว้นว่าถ้าไม่มีผลบุญผลบาปที่จะต้องไปรับก็จะไปรอเกิดได้ทันทีแต่ไม่ได้เกิดทันทีก็ต้องดูจังหวะมีร่างกายให้ไปเกิดได้หรือเปล่าต้องมีคนแต่งงานต้องมีคนร่วมเพศก่อนต้องมีการต้องก็ต้องไม่มีการป้องกันคุปกาเนิดด้วยถ้ามีการคุมกําเนิดก็ยังไม่สามารถไปเกิดได้ จะเกิดได้ต้องมีส่วนของพ่อกับส่วนของแม่มารวมตัวกันแล้วก็ส่วนของจิตสามส่วนนี้มามาประชุมกันพร้อมกันก็จะเกิดขึ้นมีปฏิสนธิขึ้นมาได้การสวดมนต์พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ไหมครับการก็เป็นการจำเริญสติอย่างธรรมานุสติ ถ้ไม่สะดวกไปทำบุญกับพระอาจารย์แต่โอนเงินไปทำบุญเข้าบัญชีได้บุญเหมือนกันไหมครับได้ทันทีเลยเนี่ยโอนตอนนี้ได้ทันทีเลยพอเห็นต้นให้ว่ายอดของเรายลดลงไปแสดงว่าเราได้ทำบุญแล้วเราได้เสีศษละแบ่งปันไปแล้วเราก็ได้ความสุขขึ้นมาทันทีความสุขนี่แหละคือบุญพระ ถ้าต้องการสิ่งของแล้วพูดคําว่าอยากได้ได้ไหมครับขอไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นญาติหรพื้นเพื่อเป็นผู้ที่เคยกล่าวไว้ก่อนว่าถ้าต้องการาจะขอก็ขอได้ก็มีแต่เพียงแต่พูดเป็นอุบายได้ว่าตอนนี้กําลังสร้าง Good day you. กุเตอยู่ก็เบอร์มันไม่ค่อยพอก็พูดได้แค่นี้เดี๋ยส่วนคนฟังนี้จะฟังแล้วเข้าใจหรือไม่ว่าท่านต้องการอะไรก็เป็นเรื่องของคนฟัง ถ้าคนทังมีปัญญาก็อ๋อท่านต้องการกรเบื่อถ้าเรามีกาลังก็ซื้อถอยท่านไปแต่ถ้าเราไม่มีกำลังก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะท่านไม่ได้ขอเราการไปขอนี่เป็นเหมือนกับการไปป้นไปไปไ ป, ไปป้นเขาไปบังคับเขาเขาขอแล้วถ้าเราไม่ให้เขาเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความเมตตาหรือเปล่าเราหวงหรือเปล่าแต่บางทีเราไม่พร้อมาบางทีเราไม่มีกำลังท่านถึงไม่ให้สอนให้ขอ ให้ออกบายพูดได้ว่าเรามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะญาติโยมมาคุยธรรมะ ก, กันบางทีก็อาจจะผากเล่าเรื่องปัญหาให้ทราตอนนี้ที่วัดขาดแคลนเรื่องน้ำประปาน้ำไม่ค่อยไหลหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เงินจ่ายค่าน้ำประปาโดนตัดอยู่เรื่ อ, อยๆ <c oughs> ก็บอกได้อย่างเงี้ยส่วนญาติโยมจะเข้าใจหรือไม่ก็แล้วแต่ญาติโยม ถ้าเราปฏิบัติได้ก้าวหน้ากิเลส ท, ที่ลดลงปกติเราดูที่อะไรครับเช่นความโกรธจะยังมีโกรธได้ไหมครับโกรดน้อยลงโลภน้อยลงลยมันก็กําลังของครับกิเลสมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่โกรธเลยไม่โลภเลยเฉยๆการซื้อของดีๆถวายพระถือว่าเพิ่มกิเลสให้พระไหมครับไม่หรอกเป็นการ เปนการสร้างบุญของเราให้ให้บุญของเรานี้มีกำลังมากขึ้นเพราะการที่เราให้ของดีๆกับใครของดีๆเหล่านั้นมันก็จะกลับมาหาเราต่อไปในอนาคตให้อะไรไว้สิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราส่วนเรื่ของกิเลสเรื่องของคนนะเขาจะมีหรือไม่มีก็อย่างเรื่องเราไม่ได้ไปเสริมเขาหรอกเราเวลาให้ของใครเราเวลาเราได้รับของจากใครเราอยากได้ของดีหรือไม่ดีนะ มันก็ได้ทุกคนก็ต้องการได้ของดีเพราะว่าใช้ของมันของดีมันก็จะได้ทนทานใช้ประโยชน์ได้ถ้าไปได้ของไม่ดีใช้ได้ปั๊บเดียวมันก็เสียอย่างนี้มันก็มันก็ได้ประโยชน์ไม่ค่อยมากไม่ใช่เพราะว่าเป็นของดีไม่ใช้อยากได้เพราะมันเป็นของดีแต่เพราะว่าของดีมันมีคุณภาพกว่าของไม่ดีให้เราคิดตรงนี้มากกว่ามันไม่ได้เป็นการเสริมกิเลยมันเป็นการเสริมความความสามารถของของที่เราส่งไปว่าเป็นของที่ดีสามารถใช้ได้นาน นใช้ไปปั๊บวัน2องวันเสียแล้วอย่างี้เราเป็นคนเช่าในคอนโดไปออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำทุกวันเช้าเย็นแล้วมีคนในลูกบ้านคอนโดเห็นการกระทำของเราเขาเอาไปพูดนินทาทำให้เราเสียหายคอยจับผิดตลอดเขาว่าเราเราเฉยๆแบบนี้เขาบาปไหมครับแล้วควรจะแก้อย่างไงครับเราเราผิดหรือเปล่ามันเสียหายหรือเปล่าเราทำผิดหรือเปล่า ถ้าเราไม่ทําผิดเขาพูดอะไรก็แสดงว่าเขาพูดปดแต่เขาไม่พูดตรงกับความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่ผิดมันก็ไม่ก็เขาจะพูดอะไรก็เป็นปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้การใส่บาตรควรตั้งจิตเช่นไรครับปล่อยวางของที่เราใส่ไปนี้ไม่ใช่ของของเราแล้วอย่าไปดูว่าท่านท่านจะตัดกินหรือเปล่าหรือเอาไปให้คนอื่น ีถ้าเอาไปแบ่ให้คนอื่นน็นคนที่เราไม่ชอบเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องมาว่าของที่เราไปนี่ไม่ใช่เป็นของของเราแนละ้วเป็นของท่านแนละ้วสุดแท้แต่ท่านท่านจะเอาไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของท่านขออนุโมทนาทุกกรณีจะไปกินเองก็ได้จะไม่กินก็ได้จะให้ศัตรูเราก็ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นของของเราแนละ้วถ้ายังมือของเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ให้นะ ให้แต่กิริยาแต่ของใ น, ในใจยังไม่ให้ยังขวงอยู่ครก็ยังไม่ได้เกิดบุญท่านนี้เกิดความสุขใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความกัวงวลใจขึ้นมาว่าท่านยาวไปทําอะไรเนาะของที่เราให้ท่านแล้วบุญเลยไม่เกิดบุญที่ควรจะเกิดเล ย, ยไม่เกิดขึ้นมาเพราะความความยึด ต, ติดยังไม่ปล่อยวางยังไม่ให้อย่างแท้จริง ถ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องไม่ไปนสนใจกับสิ่งที่เราให้ไปว่าท่านอยากไปทําอะไรกับใครเราทําบุญและแผ่อุทิศให้คนที่มีชีวิตอยู่รวมถึงตัวเราได้รับไหมครับถ้าเราอยากให้คนที่มีชีวิตอยู่มีความสุขได้บุญเราต้องซื้อของมาให้เขาแต่ที่เราไม่สามารถซื้อของให้คนตายได้เพราะคนตายเขรับของไม่ได้เราก็เลยตอเอาของไปเปลี่ยนไปเป็นบุญ เอาของไปถวายพระแล้วไปเอาไปให้ผู้อื่นทาทานแล้วเราก็ได้ความสุขใจจากการให้ของนั้นไปแล้วเราบุญที่เราได้เน้ส่งไปให้คนตายได้คำถามคล้ายๆกันครับอาจารย์สวดมนต์และแผ่บุญให้ลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับคือบุญที่เราสวดนี่มันยังไม่เกิดผลยังไม่เกิดถ้าอยากจะส่งบุญไปส่งด้วยการทาทานดีกว่ามันเกิดทันที ใจเรามีความสุขทันทีส่วนมันไปด้านที่เรายังรู้สึกเฉยเฉยมันก็ไม่ได้ส่วนมันก็ยังไม่ได้บุญอันนี้บอกว่ลูกยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับอออถ้ายังลูกมีชีวิตอยู่ก็ชิญลูกมาส่วนด้วยกันลูกก็จะได้บุญด้วยคนโสดเสียชีวิตไม่มีใครอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาจะเป็นอยู่อย่างไรครับอ๋อถ้าก็ทําบุญก็ไม่เหดือดร้อนอะ่ะเขาก็มีบุญของเขาติดตัวไป ถ้าก็ไม่มีบุญก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องรอรอบุญที่เป็นของคนอื่นที่เขาไม่มีที่เขาอุทิศให้กับทุกคนสรบปรสัตว์เนี่ยไอ้หลวงตาในปีหนึ่งใ่านร็ยากชนญาติโยมมาทําบุญทําบุญให้แม่ของท่านแล้วก็ทำบุญให้กับสับปะสัตว์ที่ไม่มีญาติที่จะส่งบุญไปให้เขาทําไมการที่เราบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่แล้วเราไม่ได้บุญในเมื่อเจตนามันเกิดขึ้นแล้วครับ เจตนายังไม่ไม่ไม่ไมไมทําให้เกิดบุญต้องมีการกระทําด้วยเช่นถ้าบริจาคเลือดเนี่ยได้บุญทันทีเพราะว่ามีเจตนาที่จะบริจาคเลือดแล้วก็ได้บริบริจาคเลือดนั้นไปได้เสียสละสิ่งนั้นไปแล้วผู้รับก็ได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเรามันก็เลยทําให้เราเกิดมีความสุขใจขึ้นมาแต่เวลาเราตายไปนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาเราเอาร่างกายเราไปทําอะไรให้กับใครที่ไหนยอย่างไรความสุขใจเราไม่เกิดขึ้นในใจเรา ความชกใจก็คือบุญนี่เรียนถามพระอาจารย์ครับกรณีพ่อเด็กบวชแล้วแม่ชีเอาลูกมาเลี้ยงแทนพ่อที่บวชพอแม่เด็กทิ้งไปอย่างนี้ได้ไหมครับคือแม่ชีก็เป็นนักบวญโดย ป, ปกติกถ้าอยู่วัดเขาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาเลี้ยงเด็กแล้วนอกจากสมัยนี้เป็นแ ม, แม่ชีบ้านก็มีคือบวชแล้วก็อยู่ว่าเพีงแต่กรหัวเราถือศีลแปดก็เป็นอุบาสิกาเท่านั้นเอง ก็จะเลี้ยงเด็กก็ได้แต่ถ้าไปอยู่วัด น, นี่เขาจะไม่ให้เอาเด็กไปเลี้ยงด้วยในวัดเพราะว่าเป็นที่เจริญปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นโรงเลี้ยงเด็กเดี๋ยวต่อไปก็เต็มในเด็กเต็มไปหมดนะครับถึงแม้ว่าบางวัดจะอนุเคราะห์เด็กกำพร้าเขาก็ต้องยากยากที่อยู่ของเด็กออกไปจากวัดแม้อยู่ในบริเวณวัดคนละเรื่อกันก็ต้องไปสร้างสถานที่สงเคราะห์ให้กับเด็กต่างหากที่หนึ่ง นั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีความสุขเบิกบานไปเกือบทั้งวันแบบนี้คือบุญใช่ไหมครับใช่จะวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกข์เพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงกลัวไม่มีใครเลี้ยงดูเขาต่อจากเราหากเราตายไปครับก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเขาไปถ้าอี่เขายังมีบุญอยู่ก็คงจะมีคนมาเลี้ยงเขาต่อไปถ้าก็หมดบุญก็เขาอาจจะก็ต้องอดตายไป ล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยของเราคนที่ตายแบบหมดลมหายใจหลับไปไปเลยแบบไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ไม่ได้เตรียมตัวสั่งลาไว้ก่อนแบบนี้ถือว่าเป็นคนมีบุญมากไหมครับถ้าตายแบบทรมานเป็นอมาพาตทรมานสิบสิบปีอย่างนี้เป็นคนมีเวรกรรมบาปหนามากใช่ไหมครับคือเราไม่รู้ว่าเขามีบุญมากหรือบาปมากด้วยวยิธีตายของเขาเรา วิธีตามเขานี่สงบแล้วไม่สงบอยู่ที่เขามีสติแล้วไม่มีสติแล้วก็มีสติทําใจให้นิ่งเฉยๆได้เขาตายอย่างสงบถ้าเขาไม่มีสติทําใจให้นิ่งไม่ได้เขาก็จะตายแบบทุกข์ทรมานอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเขามีบุญหรือมีบาปหรือไม่บุญหบาปนี้จะมาดึงใจให้เขาลงบิญญาณของเขาไปเกิดที่สูงหรือที่ต่ำเท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนที่จะมาทําให้เขา เขาสงบตายอย่างสงบหรือไม่สงบไม่ใช่เป็นเครื่องวัดว่าถ้าตายอย่างสงบแล้วเขาจะไปดีเสมอไปและส่วนใหญ่มากจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าตายอย่างสงบเขาแสดงว่าเขามีบุญบุญที่เกิดจากการเจริญสะต่งนี่ซึ่งเป็นบุญใหญ่กว่าอย่างไรถ้าเราถูกกระตุ้นทําให้เกิดความโกรธแรกๆก็จะควบคุมได้แต่ถ้าถูกกระตุ้นซ้ำๆก็จะควบคุมไม่ได้จะไม่วิธีใดไปแก้ไขครับ ถ้าอยากจะแก้ไม่ใ hey. ห um, ้โกรธก็ต้องอย่าไปหวังอะไรจากคนที่เขาทําให้เราโกรธเขาจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าเขาอยากจะชมเราก็ปล่อยเขาชมอย่าไปอยากว่าเขาต้องชมเราอย่างเดียวนด่าเราไม่ได้ถ้าเราอยากแบบนี้เวลาเขาไม่ชมเราก็ด่าเราเราก็จะโกรธเขาได้แต่ถ้าเราทําใจเป็นกลางเฉยๆเขาจะโกรธเขาจะด่าเราก็ได้เขาจะชมเราก็ได้เราไม่หวังอะไรจากเขาเราก็จะไม่โกรธเขา เวลาภาวนาแล้วจิตไปสู่สภาวะโล่งว่างๆแต่เป็นแค่แป๊บเดียวแบบนี้แปลว่าควรพุโทโธกำกับตลอดเวลาหรือปล่อยคำพุโทโธครับถ้ามันว่างมันนิ่งมันเย็นมันสงบไม่ไม่มีความคิดอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆไปคาถาแผ่อุทิศหลังจากสวดมนต์คือสัพเพสตาก็ไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมครับไม่ถึงหรอ การแผ่เมตตาถ้าอยากให้ผู้เขารับผู้ที่จะมมรัเมตตาเราต้องแผ่ด้วยการกระรรทําชนเวลาเราพบปะกันนี้นแล้วก็ส่งความสุขให้กันด้วยการ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทักทายกันถามถาวเราทุกข์สุขดรือันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาในเวลาที่เราโกดกันก็ให้อภัยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแล่ไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยการสวดบทสวดมนต์อันนี้เป็นการเจริญสัมภาวนามากกว่าเป็นการเจริญสติทําใจให้สงบมากกว่า พ่อค้นขยะเพื่อหาเศษกระดาษขายทุกวันซึ่งลูกๆไม่ให้คน้นเพราะลูกๆเลีเ้ยงได้แต่พ่อก็ยังทําลูกๆจึงไม่สนใจและไม่ห้ามลูกบาบไหมครับไม่บาบเราเป็นสิเศ์ของพ่อที่ก็จะทําอะไรของเขาเองแต่เราก็ยังต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูเขาให้เงินให้ทองเขาอยู่ดีท่นก็จะไปหาเงินทองเพิ่มด้วยกําลังของตัวเองก็อาจจะเป็นการใช้เวลาที่อยู่เฉยๆเพื่อจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็ได้ นี่เนี่ยปอให้เขาอยู่แบบเฉยๆบางทีเขาจะเขาจะเบื่อถ้าเขามีอะไรทำนะั่นจะทาให้เขาเปความเพลิดเพลินบางทีก็เป็นเหมือนกับเป็นการงนนานอดิเรกอย่างหนึ่งก็ได้การถวายน้ําและผละไม้บนหิ้งในวันพระควรหรือไม่ควรทําครับไม่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยจะทาแล้วไม่ทํำก็จะพูดว่าควรไม่ควรก็ไม่ไม่กล้าพูดเนะี่ยเพราะแล้วแต่ความเชื่อถ้าทําแล้วสบายใจก็ทําไป แต่ประโยชน์ไม่เกิดทั้งกับคนให้แนละคนรับคนรับก็คือพอระพุะธเก้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรพเพราะพระพุ ก, กินของไม่ได้ดืนะ่มน้าไม่ได้คนให้ก็ไม่ได้บุญแต่อาจจะได้ความสบายใจว่าได้ทําในสิ่งที่คิดว่าจะมาคุ้มครองรักษาตนเองฟังธรรมจากพระอริยะส่งแล้วปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์ตามชี้แนะสั่งสอนโดยใกล้ชิด เราสามารถบรรลุสดาบันเองได้ไหมครับอก็พระริยสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ของเราอยู่แล้วไหมหมายถึงอย่างไรไม่ทราบหมายถึงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระริยสงฆ์หรือวาเราสามารถเข้าหาท่านได้ทุกเวลาไม่ใช่เลยถ้าเราปฏิบัติถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรแล้วก็ไปสนทนาไปถามท่านได้ให้ท่านชี้แนะบอกว่าถูกหรือไม่ถูกอย่างที่ยายมเข้ามาถามปัญหาต่างๆนี้ก็เป็นการมีครูบาอาจารย์ใกล้ชิดอยู่แล้ว สามารถเข้ามาหาได้ทุกวันอาทิตย์ตอนช่วงสองทุ่นี่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่เดียวกันสมัยนี้เรามีมีเครื่องมือสื่อสารสมัยก่อนนะั้นต้องไปวัดเพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่มีมือถือไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะได้รับคําสั่งส อ, งอนของก็ต้องไปอยู่ที่วัดไปฟังเทศฟังธรรมแล้วไปขอสนทนาธรรมกับท่านเพื่อได้ความรู้ เกิดปิติขนลุกขนพองบางครั้งขาช่วงล่างบางครั้งเป็นบริเวณกลางศรีรษะเกิดช่วงทำสมาธิเป็นเพราะอะไรครับคือการปฏิบัตินี่เาไม่ค่อยไปสนใจว่าเหตุเกิดจากอะไรเราสนใจว่าเราจะปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็คือปล่อยวางปฏิบัติบำบัดด้วยการปล่อยวางด้วยการพิจารณาว่าเป็นตายรับเป็นอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเราก็คุมบังคับมันไม่ได้ ถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้งั้นอย่าไปสนใจมันจะเกิดจะดับมาอย่างไรให้รู้ว่ามาแล้วไปเราอย่าไปยุ่งกับมันก็พอรับรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางถ้าเกิดว่ารู้ไปให้เงินค่าเทอมหลานได้บุญไหมครับได้นดเป็นวิทยาฐานอย่างนี้ ถ้าเราไปวัดแล้วเห็นพระก่อสร้างอาคารที่ใช้แต่ของแพงๆหากเราไปตําหนิหรือไปบอกเราบาปไหมครับเราไปตาเนิท่านทำไมมันเรื่องของเราหรือเปล่าถ้าเป็นเงินของเราก็อาจจะไปตําหนิได้ว่าท่านไม่ควรจะใช้เงินแบบนี้ของฉันนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ถวายท่านอีกแล้วเพราะท่านฉันอยากให้ท่านอยู่แบบสมถะเรียบ ง, งา่ายแต่คนที่สร้างวัดบางครั้งเขามีความคิดต่างกับเราบางทีเขาอยากจะสร้างถวายบูชาเป็นพุทธบูชา จะถวายอะไรให้กับพระเจ้าก็ต้องถวายสมเกียรติอพระเจ้าต้องมีทองคําอยู่บนยอดฉัตรอะไรเป็นต้นต้องมีเพชรอะไรมีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดนะเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องของความเคารพต่อสิ่งที่ท่านถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่ประเสริฐที่สุดทําะไรก็อยากจะทำนะถวายท่านก็อยากจะถวา ย, ย, ยของดีๆของที่เลิศของที่ประเสริฐจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใด ถ้าสิ่งที่เราเอาไปได้แค่บุญกับบาปนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเจอมันก็ของไม่เที่ยงเป็นไตลักษ์ใช่ไหมครับผมมันพารณาบ่อยๆทําได้ไหมครับอใช่ใช่หรือเปล่ามีอะไรเราไปได้หรือเปล่าลูกเมีเราไปได้หรือเปล่าสามีเราไปได้หรือเปล่าทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองเราเอาไปได้หรือเปล่ายศตําแหน่งต่างๆไม่มีข้าวอะไรไปได้ทั้งคนอดูคนที่ตายมันที่ผ่านมันหรือเล่าฉะนั้นเห็นได้ชัดเจน ันที่ก็ตายไปแล้วเขามีอะไรติดตัวไปกับเขาบ้างเด็กหนึ่งขวบตายเขาจะได้ตกทุกข์ไหมครับก็วมาทุกข์ไหมเขายังไงตัวเขาทุกข์หรือเปล่าเลยก็อยู่ที่เขาว่าเขามีปฏิยากับความตายอย่างไรแต่ละคนนี้เราเคยตายมาหลายรอบแล้วเรามีประสบะการณ์บางคนก็ตายแบบทุกข์ทรมานบางคนก็ตายแบบสงบมันไม่แน่แล้วแต่ละคนที่เคย มีประสบะการณ์ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ดวงวิญญาณนิจจิตใจนี้ไม่มีอายุขัยมันเขจะมีเขาจะมีนิสัยของเขาติดตัวมาเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรมันก็เป็นไปตามแบบฉบับเดิมของเขาเขาเคยตกใจกลัวก็จะเขาก็จะตกใจกลัวเขาจะนิ่งสงบจะวางเฉยเขาก็จะนิ่งสงบวางเฉยแล้วแต่แล้วแต่แ สิ่งที่กราสะสมมาที่เราเรียกว่าบุญเมื่อบาดนี่ไม่มีญาติพี่น้องแล้วบวชกลัวคนไม่มีคนดูแลตอนแก่แต่พิจารณาใหม่ว่าเกิดมาแล้วต้องตายกะถ้าไม่ได้บวชภานาเสียชาติเกิดจะเจ็บจะตายช่างมันคิดแบบนี้ถูกทางหรือไม่ครับเพราะถ้ามาบวชไม่ต้องกลัวไม่มีใครเลี้ยงดูหรอกมีญาติโยมพี่น้องศรัทธาที่อยากจะสนับสนุนพระ โดยเฉพาะาคนที่จะบไข้ได้ป่วยนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครดูแลผ้าป่วยนี้ถ้ากัดูแลพระพุทธเจ้าเนี่ยคนยังมีศรัทธาที่อยากจะดูแลผ้าป่วยกันเป็นจำนวนมากยังไม่ต้องกลัวถ้าเป็นผ้าแล้วมีประกันได้ว่ามีการซื้อประกันชีวิตซื้อมีการซื้อประกันภัยเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่ทําไมยังเห็นอารมณ์กามยังคงเกิดขึ้นจะควรจะระอย่างไรครับ เพราะว่าสมาธิยังไม่สามารถกําจัดอารมณ์ของการมได้ทําได้เฉพาะเวลาเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิอารมณ์ก า, ารมารมณ์ก็จะหายหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอใจนั่งไปคิดถึงเรื่องเรื่องการมอารมณ์มันก็ก า, ารมารมณ์ก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายไปก็ต้องคิดไปในทางทางตรงกันข้ามชอบคิดแต่เรื่องสวยๆงามๆก็คิดตรงกันข้ามอย่ดูของไม่สวยไม่งามแทนเจ่นดูวดสุภา ดูซากศพอย่ยไปดูคนที่แต่งหน้าตาปากหรือแต่งรูปหลอ่อหรือสวยงามให้ไปดูซากศพ บ, บ้างให้เวลาเห็นซากศพแล้วกามอารมณ์มันก็จะหายไปต้องใช้ปัญญาสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นกามอารมณ์หรือดับกามอารมณ์ได้เห็นของสวยของงามขึ้นมาก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาได้พอเห็นของที่ไม่สวยไม่งามกามอารมณ์ก็ดับไปได้ การเกิดได้ไปเกิดเป็นคนชาตินั้นชาตินี้หรือชาติพันธ์ที่แตกต่างกันเกิดจากการสะสมบุญหรือเปล่าครับวันนี้เราก็ไม่ได้ศึกษามาแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่ามันมันเราเลือกไม่ได้นล้แต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยว่าช่วงนั้นจะมีมีร่างกายของใครพอมีร่างกายแล้วเราก็จะคว้ากันไปเลยไปไปเอาเลยทันทีเพราะอยากจะเกิดกันเไงขี้เกียจรอเป็นดวงวิญญาณ เวลาไม่มีร่างกายมันไม่สามารถไปเสียงรูปเสียงกลิ่นล้นได้พอมีร่างกายท้ายันไหนที่ใกล้เราเป็นจังหวะเป็นคิวของเราปัก็เอาเลยความมั่งเลยไม่มีการเลือกนี่เาแต่คิวของเราจะไปได้ร่างกายแบบไหนได้ชนชาติชั้นไหนเราไม่รู้แล้วแต่คิวมันจะเวลาตายเราก็ไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วแต่คิวของเราถ้าถึงคิวตายเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้น ถึงเกลียจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อเกิดมือนั้นเรื่องไม่ได้เราสามารถทําบุญจากการบอกบุญของพระทางติ๊กต็อกได้ไหมครับทําบุญจากการบอกบุญไปบอกบุญเขาอะครับอาจารย์ครับไปบอกบุญให้เขามาทําบุญกับเราเนี่ยไปบอกบุญให้เขาไปทําบุญกับพระครับอาจารย์เมาบอกบอกเพื่อนถูกงี้เหรอใช่ครับบอกบุญได้ อย่าไปเรียกอะไรยอย่าไปเรียกอะไรยอย่าไปขอเขาบอกว่าวัดเขาจะมีการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญบริจากติดต่อกับวัดได้อย น, นี้บอกได้แต่อย่าไปเรียกอะไรขอช่วยช่วยทํา บ, บุญช่วยวัดนิดหน่อยนี้ ไ, ไม่วบวชเจอผ อ, อแย่ๆบ้าม น, นาดด่าลุกน้องเลยผู้ร่วมงานเห็นแกนตัวเราต้องทำอย่างไรครับ ก็ต้องปล่อยเขาไปตามนึ่นเขาไปามาไม่ได้การสวดมนต์ฝึกสติได้ไหมครับก็เป็การยันเลยสติอย่างเดียวเลาวดนที่มันเป็นคิ้ น, นนี้เปนเร่ววารฝึกที่เราฟุ้งซางที่ น, น, นี่พอเราสวดมนตความคิดฟุ้งซหานต่านั้นก็หาไปาาก็ได้สติมันเอาความคามิดฟุ้งซ่นได้ เราชวนญาติพี่น้องไปเลี้ยงข้าวถือว่าเราได้แผ่เมตตาใช่ไหมครับเลี้ยงข้าวหมดเลยมารทานอย่างนี้แล้วก็ความเมตตาภายตัวด้วยการดนดูดับมเมตตาในบคนเข้าไปด้วยกันได้้เรามีจัดกาหลายห้คนนึ่ก็มีควาถือว่าเราได้ได้ ก็ได้ทําุญได้ทำทานก็คนโดยการใช้ทำทานเป็นวิธีให้ความสุขของเขาทำทานให้มันเป็นเค้ืของการให้ความเมตตากันนั่นเอแต่การให้เมตตาไี้มีวิธีอื่นด้วย น, นอกจากการให้ข้าเขาอา จ, จอารย์เวลาโกรธแค้นโกรธเคืองกันก็ให้อาภายัยกันนี้ก็เป็นการให้เมตตาได้เหมือนกันหรือเวลาเราจะทําอะไร เราโกรธขึ้นมาเราก็ไม่ไปทไําให้น่ากายหรอยพูดอะไรที่ทำให้ทาลายจิตใจของเขาอันนี้เป็นการให้ความเมตตาเหมือนกันเวลาให้อภัยคนอโหสิกรรมใครให้เต็มใจไม่พลาดท้งแล้วกรรมไม่ดีจะสลายละลายไปทันทีใช่ไหมครับไม่กรรมก่อนท้นที่ทาหลายไปแต่กรรมที่ทํากันไว้มันก็ยังมีอยู่ ถ้าทำบาปมันก็ยัมีอยู่เราก็ต้องเรารับผลบาปของมันต่อไปแต่สิ่งที่เราทํานี้เพื่อให้ทําใจให้เราคลายเครียดคลายความทุกข์จากความโกรธจากการที่เราจะไปทําบาปซ้ําอีกทีหนึ่งเวลาโกรธใครมักจะไปทําร้ายเขาต่ออันนี้เราก็รับได้นะครับการที่เราจะทําบาปใหม่ได้เราก็ทําระงับความโกรธทาให้ใจเราสงบเย็นขึ้นมาไม่ทุกขขึ้นมาได้ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการถวายพระผ้าไตรปิฎกพระไตรปิฎ ก, รกครบชุดแก่วัดอนิสงส์ที่ได้เป็นอย่างไรครับก็เป็นการให้ธรรมทานให้ความให้ธรรมแก่ผู้เป็นก็เป็นทา ง, างหนึ่งได้ความสุขใจอ น, นิสงส์ก็คือคู่ให้ก็จะได้ไปสวรรค์ถ้ามีบุญเป็นบุญที่จะส่งให้เราไปสวรรค์ได้แต่เราไม่ได้ทํางานะถ้าอยากจะได้ปัญญาเราต้องไปศึกษาพระไตรปิฎก ถึงจะได้ปัญญาคนบาคนเข้าใจว่าถวายหนังสือก็จะได้ปัญญาไม่จริงหรอกใช่ไปัญญาเกิดขึ้นจากการศึกษาไม่ใช่จากการถวายหนังสือให้คนนั้นคนนี้เป็หนังสือเข้าไปมันก็เป็นการให้วัตถุทานอย่างหนึง่งหรวิทยาทานแต่เราไม่ได้เป็นคนที่จะได้ปัญญาจากไหมแต่คนที่เขาเอาหนังสือที่เราจจกนี้ให้เอาไปอ่านนี่เขาจะได้ปัญญาาถวยนังสแต่เราไม่ได้ ถ้าอยากได้ปัญญาเราต้องเป็นคนไปศึกษาหนังสือหิือศึกษาพัฒนาอิเล็กด้วยตัวเองโดยพื้นฐานแล้วการสวดมนต์เราต้องสวดบทไหนบ้างบางครั้งก็งงหรือขึ้นอยู่กับเราอยากจะสวดบทไหนครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราสวดมนต์เพื่ออะไรถ้าเราสวดมนต์เพื่อการเาริญสตินี้เราสามารถเลือกสวดบทไหนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการสวดมนต์เพื่อ ทำไปตามตามธระมเนียมที่เขาทํากันแล้วก็ทําตามไปศึกษาดูตามว่าต่างๆเขาก็จะมีบทส่วนต่างๆให้สวดกันนั่นก็ได้จรันบทพระพุทธคุณธรรมกุลสังฆกุณก่อนแล้วก็สวนบทที่จะให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาเช่นส่วนเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือส่วนเรื่องการสามสสองของร่างกายอันนี้ก็แล้วแต่ทางวัดเขาจะจัดขึ้นมาให้เราสวดกัน อายตนะทั้งหกภายในภายนอกคืออย่างไรครับอายตนะ ภ, ภายนอกก็มีมีห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสทุพภะอายะภายในยก็คือตาหูจมูกนิ้วกายส่วนอีกหกนี้มันอีกอีกอีกการที่ที่รวมบันทงนี้มันเป็นเรื่องของใจกับธรรมอารมณ์ใจก็ถือว่าเป็นอายตนะอย่างหนึ่งแล้วธรรมอารมณ์ที่ใจสัมปัตต์รับรู้ก็เป็นอายตนะภายนอก เวลาเราพูดถึงอญญายัดตาละอญญายตะะภายนอกกับภายใ น, ในจิงๆเราพูดถึงห้าอย่างมากกว่าคือตาหูจมูก น, นิ้วกายที่ไปสัมผัสกับอญญายตะะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลี้ยงแมวจรจัดในหมู่บ้านแล้วมีเพื่อนบ้านไม่ชอบแต่สงสารแมวแบบนี้ต้องทําอย่างไรครับเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องของเขา เราเลี้ยงแมวเพราะให้ดาวมีความสุขอยู่ได้น้องที่ทํางานประสบอุบัติเหตุพรุ่งนี้ต้องทําผ่าตัดเท้าควรให้น้องทําจิตใจอย่างไรดีครับก็ยินดีตามมีตามเกิดหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้อมันยังไม่หายมันก็จะทําทให้เราเครียดวิตกกังวลได้แต่เราทาใจให้ยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่ ไม่มีความวิตกกังวลหาก็หายไม่หายก็อยู่กักนไปการบริจาคโลหิตทุกสามเดือนกับการใส่บาตรทุกวันอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับเร แ, แตัดคุณค่าของของที่เราทําไปถ้าราคาเท่ากันมันก็มันก็ได้บุญเท่ากันถือว่าถ้าเราทําบุญทุกวันเดือนหนึ่งเราได้ถอยไปสามพันนี้ใจวันละร้อย ถาเราบริจากเรื่องราคาที่มีราคาประมาณสามพันเราก็ได้บุญเท่ากันแต่เรื่องเราไม่มีราคาใช่ไหมเขาไม่มีเขาไเขาไม่มีการซื้อขายใช่ไมครับผมมีโอกาสได้ดูแลพระวัดป่าที่ขาดแคลนพระป่วยได้อนิสง์ไหมครับได้ก็อย่างที่บอกครับการดูแลพระป่วยนี้พระพุทธเจ้าบอกเหมือนได้ดูแลพระพุทธเจ้าเลยได้บุญมาก เจอแม่ชีบวชแต่อยู่บ้านเลยคิดว่าเขาเป็นแม่ชีปลอมแต่แค่คิดเฉยๆอย่างนี้บาปไหมครับก็ <anc el soc co> ไปคิดทําไม่ะถ้าเราเม่เราไม่รู้ความจริงเขาเป็นยังไงก็ <anc el soc co> เป็นเรื่องเรื่องความหลงเรื่องของความที่เราชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนั่นเองนคนที่มายุ่งกับคนอื่นเขาหรอก็จะดีกับชั่วกับเรื่องของเขาให้มาดูที่ตัวเราดีกว่าว่าเราดีแล้วเราชั่วหรือเปล่าจะดีไเพราะ <anc el soc co> ถ้าเราลูกเรายังไม่ดีเราจะได้แก้ไขดัดแปลงได้ นั่อย่าไปดูคนอื่นนะ ด, ดูก็ดูก็ดูแล้วก็ดูเฉยๆไปดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม่เสียชีวิตคอตกขอบเตียงตาค้างถือว่าท่านยังเป็นห่วงลูกอายุยังน้อยสามคนไหมครับไม่รู้เหมือนกัน้นนี้ต้องถามท่านมันเป็นห่วงหรือเปล ปฏิบัติธรรมบุญมาตลอดถ้าใกล้เราตายเราไม่เตรียมตัวหรือถ้าทุกข์มามากกับการเจ็บป่วยต้องไปอาบายภูไหมครับอย่างที่บอกว่าเราจะไปอบายหรือไม่อยู่ที่ว่าบุญกับบาปที่เราทําวันนี้อันไหนมากกว่ากันนะถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ต้องไปอบายแต่ถ้าบุญมากกว่า บ, บาปก็ไปสวรรค์แทน ถ้าเราคิดไม่ดีกับบุพการีเช่นเห็นเขาแก่ไม่สวยไม่หล่อเหี่ยวไม่กลิ่นตัวไม่อยากดูแลเป็นภาระทาให้เหนื่อยพูดจามไม่ดีตะคอกบ้างแต่เราก็เป็นห่วงโทรหาเช้าเย็นทุกวันให้เงินใช้เราทำบุญจะลบล้างบาปได้ไหมครับก็การทำบุญก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของบุญแต่การที่เราไปมีความลังเกตต่อบุพการีนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลส ของความไม่ชอบของสวยไม่สวยไม่งามของเราซึ่งเราควรที่จ ะ, ะปรับปรุงตัวเราเองว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเขามีบุญคุณกับเรามากเวลาที่เราเป็นเด็กเวลาที่เขาเลี้ยงเราแล้วก็เหมือนกับที่เขาแก่ตอนนี้แนหะแล้ว เ, เขาก็ต้องคอยอาบน้ำให้เาเวลาเราปัสสาวะอุจจาะเขาก็ต้องคอยมาเช็ดมาล้างให้กับเราทําไมเขาทาให้กับเราได้แต่พอมาถึงเวลาที่เราจะต้องทําให้กับเขาทำไมเราทําไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องของกิเลสเขคาคิดฝ่ายต่ำของเราถึงแม้ครที่มีต่อ บ, บุพการีต่พ่อแม่ที่มีก็คุณอย่างยิ่งล้วควรจะปรับใจของเราเป็นทัศนคติของเราถ้าเราเห็นคุณมูลคุณของพ่อแม่อย่างแท้จริงแล้วเราจะเราจะทำตามที่พระเจ้าบอกเลยว่าต่อให้เธอเลี้ยงดูพ่อแม่ดีขนาดไหนแบกท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอุจจาระปัสวะใสตัวของเธอ บุญคุณของพ่อแม่ก็อย่างเธอก็อยังใช้ไม่หมดนั่นแหะพระพุทธเาท่านสอนอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปลังเกียจเรื่องอุจจาระปัสสาวะของพ่อแม่เวลาที่ เ, นะเขาแก่แล้วก็ดูแลตัวเขาเองไม่ได้เราทาําขณะนี้บุญคุณที่เขามีพ่อแม่ที่มีกัเรายังยังใช้ไม่หมดเลยคิดดูว่าแล้วกันแล้วทาแบบนี้เราจะได้บุญทักเท่าไหร่ใช้ใช้ใ ช, ใช้ใช้บุญได้ทักเท่าไหร่เพียงแต่ส่งเงิให้ท่านใช้แต่ไม่ยอมเข้าใกล้ไม่ขยยอมไปหาไม่ยอมไปดูแล อันนี้แสดงว่าได้ทําบุญมากได้ชดใช้บุญคุณมากแต่น้อยมากถ้าต้องทํางานในชีวิตประจาําวันเราจะเจริญสติสมาธิอย่างไรครับก็ให้อยู่กับงานที่เราทําไงอย่าไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับงานที่เราทําแต่มันจะได้สติเพียงครึ่งเดียวคือสติแบบที่ยังมีความคิดอยู่ถ้าอยากจะได้สติแบบที่ไม่มีความคิดเราต้องไม่มีงานทําแล้วต้องอยู่คนเดียว สติแบบที่เราใช้ในทํางานนี้เรายังไม่สามารถเอาเข้ามาใช้เจริญสมาธิได้เพราะเรานั่งสมาธิไปเราก็ยังอดที่จะคิดถึงเรื่องงานไม่ได้อยู่ดีว่าจะนั่สติแบบไม่มีความคิดท่านถ้าสติแบบไม่มีความคิดเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วชอบคิดปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้ผิดไหมครับ คือความปรารถนานี่ไม่ผิดอแต่ยังไม่ทาในเวลาที่นั่งสมาธิเพราะเวลานั่งสมาธิเราต้องการหยุดความคิดหยุดความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเราอยากจะปรารถนาให้คิดตอนที่เราไม่ได้ทําสมาธิเวลาทําสมาธินี่เราให้เราหยุดความคิดทุกทุกรูปแบบไปชั่วคราวถ้าเราไปคิดนํามันใจก็จะไม่สงบ ขอการกับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ525ในยู738ในขับ8ในติกตอก579รวมกันวันนี้ 1,850 คนนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา15นาทีพระอาจารย์ตอบไป108คำถามครับผมก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังทำในวันนี้ได้เอานำทำที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าต่อไปการแสดงธรรมเขคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้ า, หา ว, าวาาหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณบมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดเข้าอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้า ขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ